จริงเนี่ยเรื่องที่เราจะคุยกันช่วงบ่ายนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นําโลกสันตินะคะคือจริงๆแล้ววันนี้ที่เราจะคุยกันช่วงตอนบ่ายเนี่ยจะไม่ได้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับว่าทุกคนเนี่ยการจะเป็นผู้นําได้จะต้องมีบุคลิกหรือว่าจะต้องอมีลักษณะนิสัยเป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยที่แขกรับเชิญนะคะจะมาพูดคุยกันเนี่ย จริงๆเขามีอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว่าถ้าวันนึงเนี่ยนะคะทุกคนได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้นําขึ้นมาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ทั้งใบคุณในฐานะที่ว่าเป็นผู้นําเองเนี่ยคุณเลือกที่จะเป็นผู้นําแบบไหนแล้วก็อยากให้คนที่เขาคล้อยตามคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณอย่างไรแล้วก็อยากที่จะเห็นภาพผู้คุณเนี่ยเป็นแบบไหนนี่ก็เลยเป็นเนื้อหาในช่วงตอนบ่ายนะคะเกี่ยวกับการเป็นผู้นําในโลกสันติคะ่ะ เชิญพี่ตุลเลยครับชื่อเล่นชื่อพี่ตุลนะครับครับก็เริ่มต้นขึ้นมานะก็อยากจะพูดก่อนว่าการที่จะเป็นผู้นําเนี่ยไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนหรือว่าจะนําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะมีลักษณะเหมือนกันแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างกันของผู้นําลักษณะที่เหมือนกันมันจะต้องเหมือนกันแน่ๆก็คือว่าผู้นํา จะต้องมีความคิดที่จะนำถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจไม่ได้อยากจะนำยังไงก็นำไม่ได้เหมือนกับบางคนนะมีรูปร่างสูงใหญ่ดูเหมือนผู้นำแต่ความคิดในสมองมันไม่อยากจะนำในที่สุดแล้วก็นำใครไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะยกย่องให้เกียรติหรือว่าอุปโลกเป็นหัวหน้าก็ตามนอกจากนั้นผู้นำควรจะมีพลังความสามารถที่จะนำ คือถ้าไม่มีพลังถ้าขาดพลังเนี่ยนะทุกอย่างมันจะหายไปหมดเลยไอ้ความตั้งใจที่จะนําเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปออทําให้คนเนี่ยเขารู้สึกตรึงใจมากพอไม่สามารถจะพูดโน้มน้าวให้ใครเนี่ยนะไปรับรู้ว่าทิศทางที่เขาจะนำเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรือว่าหน่าไปให้ถึงไหมนะ บางคนเนี่ยอยากจะนำมากเลยนะอยากจะยัดเยียดความคิดมากเลยแต่เนื่องจากไม่มีพลังความเป็นผู้นำมีแต่ความกระสับกระส่ายไม่นิ่งพอไม่สามารถที่จะตรึงใจคนให้ฟังตัวเองอยู่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใครให้คล้อยตามนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของบุคลิกของผู้นำคำว่าบุคลิกของผู้นำไม่ใช่รูปร่างหน้าตาที่เหมือนผู้นาเสมอไปหมาเจอตงนะไม่ได้มี ลักษณะที่ตอนแรกเนี่ยใครเห็นแล้วจะเชื่อว่านั่นคือผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนคนหนึ่งนะแต่เขามีลักษณะบุคลิกอยู่อย่างหนึ่งคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีลักษณะของความ เ, เป็นผู้ที่ว่าพอไปยืนพูดแล้วเนี่ยนะคนฟังรู้สึกว่าอยากฟังนั่นคือบุคลิกของผู้นํานะครับท่านนี้มาพูดถึงความแตกต่างกัน อย่างเรื่องความเหมือนกันของผู้นำเนี่ยมันมองง่ายนะดูปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกถึงคาริสมารู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างที่สามารถสะกดให้คนฟังเนี่ยอยู่กับเขาได้นา น, านๆยังมีเรื่องเล่าเนะี่ยบอกว่าฮิตเลอร์เดินเข้ามาในห้องเนี่ยระดับในพลนในพันนะที่ใหญ่ๆเนี่รู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตนี่คือ ลักษณะที่บอกว่าโอเค ม, มันมีความเหมือนกันของผู้นําอยู่คือตรึงใจคนได้แต่เป็นความเหมือนที่แตกต่างที่เริ่มมีพลังในการเป็นผู้นําที่เหนือกว่าผู้นําคนอื่นๆสามารถสะกดให้ผู้นําคนอื่นๆเนี่ยนะรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อตได้ดังนั้นมาพูดเรื่องความต่างกันของผู้นําในแง่ของมุมมองความเชื่อเป็นอันดับแรกนะผู้นํา ก่อนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยคือมนุษย์มนุษย์ทุกคนไม่ไว่าจะเป็นผู้ตามหรือผู้นํามีความเชื่อส่วนตัวและคนเรานะแบ่งความเชื่อออกง่ายๆเลยเชื่อกันมากที่สุด 90% อร์ซคือเชื่อว่าอํานาจของมนุษย์เป็นใหญ่ในโลกเวลาที่มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นใหญ่ในโลกพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอํานาจคือสิ่งที่เป็นใหญ่ในโลก และอำนาจอะไรที่มันครองโลกอยู่ที่มันครอบงมความเชื่อของมนุษย์อยู่เก้าสิบปอร์เซ็นตนะเชื่อเถอะว่าเชื่อว่าอำนาจของมนุษย์คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกถ้าเชื่อแบบนี้หมความว่าคุณไหลาตามกระแสะโลกไปได้ทันทีที่เป็นผู้นำคือทันทีที่มีโอกาสเป็นผู้นำคุณพร้อมจะแย่งอำนาจกันพร้อมที่จะชิงดีชิงเด่นกัน ด้วยวิธีใดๆก็ตามที่สามารถทําให้เป็นผู้นำสำเร็จนอกจากเรื่องของอความเชื่อนะว่ามนุษย์มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยยังมีอีกความเชื่อหนึ่งคือเชื่อว่าเทวดามีอำนาจสูงสุดเหมือนกับที่เราเคยได้ยินคําว่าพรหมนิขิตคนที่เชื่อว่าเทวดาเป็นคนจัดการเป็นคนครอบงา ทั้งจักรวาลนี้และโลกใบนี้รวมทั้งชีวิตของพวกเราถ้าหากว่าเชื่อว่าเทวดามีอำนาจใหญ่ที่สุดเราจะรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งนะคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วอย่างใครจะได้เป็นนายกใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยฟ้าลิขิตไว้เรียบร้อยแล้วจะเกิดปัญหาวุ่นวายหรือว่าประเทศลุ่งเรืองอะไรก็สุดแล้วแต่เทวดาดนบันดาลเป็นความปรานีของเทวดา มันจะไม่มีความพยายามที่จะชิงดีชิงเด่นกันมากนักสุดท้ายเชื่อว่าอำนาจของกรรมและวิบากเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครอบงำโลกใบนี้ไว้และชีวิตของเราของพวกเราทั้งหลายด้วยถ้าหากว่าคุณมีความเชื่อพื้นฐานอย่างนี้อยู่ก่อนแล้วได้มีโอกาสเป็นผู้นำคุณจะนำยังไงเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังนะเอาละแล้ ว, ลวทีนี้จะพูดสั้นๆว่า นอกจากเราเริ่มต้นกันที่ความเชื่อส่วนตัวแล้วเนี่ยนะมันมีวิธีที่จะกระจายมุมมองและความเชื่อส่วนตัวออกไปสู่สาธารณชนพูดง่ายๆว่าคุณจะครอบงำความเห็นความคิดของคนส่วนใหญ่อย่างไรมันมีวิธีการเฉพาะตัวนะซึ่งก็มีอยู่สองอย่างหลักๆหนึ่งคือบังคับเอาด้วยกำลังนั่นก็คือเป็นเผด็จการแล้วก็ใช้กำลังทหาร ใช้กำลังที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะอำนาจการปกครองที่มีอยู่ในมือไปบังคับเอากับ2คือจูงใจคือให้ความรู้ความเข้าใจด้วยสติปัญญาเท่าที่มีอยู่อันนี้ตัวอย่างง่า ย, ายๆก็คือศา ส, ะสะดาทั้งหลายนะเวลาที่จะบอกให้คนเชื่อจะไม่ใช้กำลังแต่จะใช้คำพูด บอกเล่าว่าอะไรคืออะไรอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนะฮะนอกจากนั้นนะความต่างกันของผู้นำยังมีในเรื่องของระดับความพยายามในการโน้มนาวคือบางคนเนี่ยมีใจเอาแค่ว่าขอเป็นผู้นำในบ้านก็พอแล้วบางคนมีความพยายามอยากจะเป็นกรรมการหมู่บ้านอยากจะนำเฉพาะท้องถิ่นของตัวเองหรือว่าตำบลของตัวเอง ในขณะที่บางคนอยากเป็นสส อ, นะอยากทําในระดับประเทศแต่บางคนไปไกลกว่านั้นอยากเอาระดับโลกเลยนี่คือความแตกต่างกันของผู้นำคุณจะเห็นภาพคร่าวๆนะว่าความเหมือนกับความต่างของผู้นำเนี่ยทให้ผู้นำมีอิทธิพลกับโลกนี้แตกต่างกันแค่ไหนถ้าคุณมีความเชื่ออยู่สักอย่างหนึ่งในหัวแล้วไอ้ความเชื่อนี้นะมันสามารถจะมีอิทธิพล รับโลกทั้งใบได้คุณถึงจะมีความสุขนี่เรียกว่าคุณอยากจะเป็นผู้นําระดับโลกแต่ถ้าความคิดของคุณเนี่ยมีแค่ว่าอยากจะให้คนในครอบครัวได้เชื่อในสิ่งที่คุณคิดว่าดีว่างามอันนั้นคือผู้นําในระดับท้องถิน่นซึ่งไม่แน่นะว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันผู้นําในระดับท้องถิน่นในระดับบ้านในระดับครอบครัวอาจจะมีความคิดที่ดีกว่าผู้นําระดับโลกก็ได้ แต่มันไม่มีความพยายามที่จะไปทำในระดับโลกเท่านั้นเองเอาละเมื่อกี้พูดว่าความคิดความเชื่อในหัวคุณเนี่ยวันหนึ่งมันมีสิทธิ์ที่จะมีอิทธิพลกับโลกภายนอกหรือกระทั่งโลกทั้งใบได้ความคิดในหัวนันตอนที่มันยังไม่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันเหมือนเมฆหมอกที่ไร้ระเบียบ มันเหมือนไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความสามารถมีความพยายามที่จะเอาความเชื่อของคุณไปมีอิทธิพลกับโลกภายนอกเนี่ยตรงนั้นแหละรูปธรรมมันจะเริ่มเกิดความเชื่อของคุณมาจากไหนความเชื่อของผู้นาในประวัติมนุษยชาติมันมาจากไหนมีอยู่สี่อย่างที่เป็นหลัก คือเชื่อสืบสืบกันมาวิธีเชื่อสืบสืบกันมาเนี่ยนะก็คือรับฟังแล้วก็ไม่เถียงไม่ต้องศึกษามไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องใช้ความพยายามในการเข้าถึงความจริงอะไรทั้งสิ้นนี่คือเรียกว่าเชื่อสืบสืบกันมาถ้าหากว่าเชื่อสืบสืบกันมานะคุณเชื่อเขาบู่ญ่าตายายบอกมาอย่างนี้แล้วคุณเชื่อแล้วเก็บความเชื่อนี้ไว้วันหนึ่งถ้าคุณเป็นผู้นําก็ได้ชื่อว่าคุณทําในสิ่งที่คนทําทํากันมานะ ทำให้เกิดอิทธิพลทาให้โลกเนี่ยมันเป็นไปแบบที่เคยเป็นเป็นกันมานั่นแหละอันที่สองคือคิดเอาเองคิดเอาเองเนี่ยก็คือบางทีไม่ฟังไม่ฟังอะไรเลยเนะใครจะพูดมายังไงก็แล้วแต่ไม่สนสนแต่ว่าตัวเองคิดยังไงแล้วเชื่อ ย, ยังไงแล้วบางทีไม่ต้องพิสูจน์ด้วยอย่างคำว่าคิดเอาเองเนี่ยคือคุณไม่พิสูจน์ว่ามันถูกหรือผิดไม่มีความเต็มใจไม่มีความพยายาม ไม่มีความรู้สึกวิตกใดๆทั้งสิ้นนะอยากจะเชื่อของฉันอย่างนี้แหละอีกอันหนึ่งขย勃ขึ้นมาคือความเชื่อที่ทมาจากวิทยาศาสตร์ความเชื่อที่มาจากวิทยาศาสตร์หมายความว่าไงคือมีการเรียนรู้มีการศึกษาและที่สำคัญคือต้องพิสูจน์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเชื่ออย่างเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าพิสูจน์แล้วมันเหมือนกันได้ผลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นห้อ ง, องทดลองในแ l บ p ที่ มีทุนสร้างสูงที่สุดในโลกหรือว่าห้องทดลองที่ทําที่บ้านทําเองกับมือต้องได้ผลตรงกันคุณถึงจะเชื่อนี่เรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือความเชื่อที่มาจากศาสนาความเชื่อที่มาจากศาสนาก็ต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้คือไม่ใช่รับฟังแบบสืบสืบกันมานะมันต้องมีหลักฐานด้วยว่าตำราหรือว่าพระคัมภีร์ที่มาถึง ที่ตกมาถึงคุณเนี่ยมันของจริงหรือเปล่าถ้าหากว่าคุณเรียนรู้ไปแล้วนะมันจะแตกต่างกับวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่พิสูจน์ด้วยการทดลองในห้องแล็บแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงของคุณซึ่งเป็นประสบการณ์ภายในเป็นเป็นสิ่งประจักษ์เป็นเครื่องยืนยันนะตรงนี้เนะีนะ่ยที่เรามาเริ่มคุยกันว่าบอกเป็นผู้นาเป็นผู้นาแบบไหน มาจากความเชื่ออะไรนะคือคราวนี้นะคะจะอยากจะย้อนถามไปถึงหมอเขตในฐานะที่ว่าเป็นหมอแล้วก็ต้องเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะอธิบายถึงหลักการแล้วก็เหตุผลที่มาที่ไปบางทีผมก็ใช้อารมบ้าง <laughs> เยอะเลยล่ะ <laughs> ทีนี้จะอยากจะรู้ว่าในฐานะที่ว่าเป็นหมอเนี่ย เราสามารถที่จะใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในการที่จะพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อที่มันสะท้อนออกมาไปถึงบทบาทของพฤติกรรมหรือว่าผลกระทบต่างๆที่คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะกระทําแบบนี้สามารถที่จะเห็นถึงขนาดนั้นไหมอ่าโอเคทีนี้ผมว่าความเชื่อเรื่องหนึ่งนะที่อยู่ในปัจจุบันที่ยกกันมาพูดกันบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็เหมอกับแคร์รับเชิญเราวันนี้วยนี่มากถามพิสูนก่อนเรื่องกรรม <N> คนมกักจะเชื่อเรื่องกรรมาเออทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไว้เดี๋ยวยางงั้นเวรกรรมก็ตามทัน <N> ทำอย่างเงี้ยถึงได้เพราะมีความเชื่อบางทีไปไหว้เพื่อขอลูกขอหวยขอรวยขออะไรอย่างเงี้ยครับในเอาเอา ข, ข, อ, งของวิสัยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพราะวิสัยกับเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนิดหนึ่ง <N> นะฮะ <N> พิตุนเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องกรรมเยอะมากนะครับเป็นกรรมพยากรณ์ถาเคยใครเคยอ่านหนังสือชิเลนชิพิตุนนะฮะขออนุญาตเรื่องของเต็มสิบเอวไเลี้ยงตัวจะอ่านว่าเออเนี่ยทำกรรมอะไรถึงเกิดเป็นผู้ชายกรรมอะไรถ นะครับผมในมุมมองของทางศาสนาก่อนครับพี่ตุนคิดว่าเรื่องกรรมเนี่ยตอนนี้เราสามารถยกมาพูดให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเชื่อโดยที่ไม่ต้องใช้หลักวิทยาศาสตร์เลยครับคือคนถึงวันนี้เนี่ยนะเราพูดกันตรงๆนะไม่อยากเชื่อเรื่องศาสนา ก, กันแล้วบอกว่าเซสชั่นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของกรรมวิบากเนี่ยผอว่าเกี่ยวกับเรื่องเหลวไหลนั่นเองนะมันจะมีความคิดขึ้นมาทีนี้ถ้า อะไรจะเกิดขึ้นถ้าก่อนที่คุณจะเป็นผู้นําเนี่ยคุณมีความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องวิบากจริงๆอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าในแง่ของที่หมอเขตถามมานะบอกว่าอะไรเป็นตัวกําหนดให้มันเกิดมาเป็นแบบนี้เราเรามาพูดให้เชื่อกันด้วยปากเปล่าแบบเนี้บางทีมันฟังยากเ อ, า, อางี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนจัดกลุ่ม อ่าเราก็จะพอเข้ามาในคลาสเนีไม่ทันเห็นกลุ่มก็เลงละเฮ้อยอยู่กลุ่มเดียวคนเนี้ยพอจัดกลุ่มมาเสร็จเฮ้ยมันต้องอยู่กับไอ้นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าอธิบายต้อง <c oughs> ต้องบอกว่ากรรมที่เคยทําร่วมกันมาเนี่ยมันต้องฉะลอกกันนะแล้วกรรมเนี่ยมีอํานาจจูนให้จิตของคนเราเนี่ยมันเข้ากันได้มีจริงๆนะคือลองสังเกตดูก็แล้วกันเวลาที่ใช่กรรมเป็นคนจูนจิตของพวกคุณ เวลาที่คุณเจอเพื่อนร่วมงานใหม่บางทีไม่เกี่ยวกับหน้าตานะแต่เป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างทีม่มามองตากันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่กลมกลืนกันเมือนเหมือนกับว่ารู้สึกทันทีว่าเข้ากันได้น่าจะไปด้วยกันดีน่าจะทำงานด้วยกันรู้เรื่องแต่บางคนเนี่ยคือยังไม่ทันคุยกันสักคำนะแนะนำนี่คุณจิ๋มนะนี่ คุณโดมนะมาพอมานั่งยังไม่ทันคุยกันดูตากันเนี่ยรู้สึกว่าผมไม่อยากทํางานกับคุณจิมนะครับเกิดความรู้สึกขึ้นมาข้างในตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกรรมเรื่องวิบากน ะ, ะที่ที่มาจูงจิตเนี่ยก็อธิบายว่าคนที่มีธาตุนิสัยแบบเดียวกันมันจะจูนกันง่ายคือพูดง่ายๆว่าถ้าคิดดีทดําดีพูดดีมาเหมือนเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน จิตมันมันจะเหมือนกับประกอบกันติดแต่ท่านนิสัยแตกต่างกันมากเห็นสุดตรงเป็นคนละขั้วนะทำดีได้ดีไม่เชื่อทำชั่วได้ได้ดีมีถมไปนี่โอ้โหอยากเชื่อมากนะมานั่งอยู่กับคนมีศีลมีสัตว์เนี่ยมันจะรู้สึกไม่สบไม่สบายใจมันจะเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมานี่เรื่องของกรรมแบบที่สามารถนึกเอาได้นะจากชีวิตประจาวันครับ ข, ขอบคุณครับ ทีนี้คําถามของที่จอยถามผมเมื่อกี้นะครับว่าเรื่องของกรรมในทางวิทยาศาสตร์ในทางของทางการแพทย์มีการพิสูจน์ไหมนะฮะมีข้อมูลมาให้ดูนิดนึงไม่รู้ไม่รู้ดูจะง่วงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงอ่าดีนี่กรรมในทางของหมอเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพันธุกรรมอ่าพันธุกรรมนะฮะใครใครเคยได้ยินคํานี้บ้างไหมครับพันธุกรรมได้ยินนะครับอ่าแน่นอนคืออะไรครับพี่คือคํา อ ะ, อะไรแล้วเลยครับเมื่อกี้ถามว่าเคยได้ยินไหมบอกเคยถามอะไรก็คืออะไรครับบอกอะไรนะจะ <laughs> ต่อนะครับแอบผมพูดเล่นนะฮะแกลงวงแกง้งวงฮนะทีนี้เคยได้ยินไหมครับว่าถ้าเกิดเรามีคนในครอบครัวเป็นโรคอะไรสักโรคหนึ่งเนี่ยเช่นเรามีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเป็นหัวใจเราก็อาจจะมีพันธุกรรมที่ต้องเป็นอย่า ง, งานั้นใช่ไหมครับจอยมีใครในครอบครัวเป็นดาราไหมแม่ <laughs> เห็นไหมครับก็ต้องมีพันธุกรรมเป็นอย่างนี้เพราะฉะใครอยากให้ลูกเป็นนักแสดงเป็นดาราก็หลังไม่ไม่ใช่ จริงๆปร์มาฟอสซีก็มีดาราหลายคนนะคะแล้วมีดาราหลายคนนะฮะอ่าโอเคครับนี้เขาดูเรื่องของพันธุกรรมมันคืออะไรนะครับอ่าให้ดูนิดนึงนะฮะทีนี้ทุกคนเห็นไอ้ประสาทอันนี้ไหมครับถ้าเกิดเราแยกส่วนประสาทอันนี้ออกมาจนถึงหน่วยย่อยที่สุดของประสาทอันนี้คืออะไรครับหินถูกต้องครับคืออิฐหนึ่งก้อนใช่ไหมครับซึ่งไม่สามารถจะแยกลงไปได้อีกนะครับผมนี่คือหน่วยย่อยที่สุดของประสาทนะครับในทางกลับกันนะครับ ร่างกายมนุษย์เราก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าหรือผมหรือพวกคุณเนี่ยถ้าแยกลงไปหน่วยย่อยที่สุดเล็กที่สุดอันนั้นก็คือเซลล์ s <S sell, นะครับตอบอยู่คนเดียวเนิร์ดมากนะครับโอเคนี่ชมอันนี้คือนนคำชมนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มใช้ประโยชน์จากการให้จําชื่อเพื่อนแล้วนะครับพี่ที่ตอบนี่ชื่ออะไรครับในกลุ่ม <A. S 1> พี่เอนะครับโอเคทีนี้ในเซลลเนี่ยมีอะไรอยู่นะครับผมในเซลเนี่ยก็เหมือนร่างกายของเราก็มีอวัยวะนะครับผมอย่างเช่น ย่อหุ้มเซลล์เนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนประตูลเลือกอให้ใครเข้าให้ใครออกอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าในหน่วยย่อยที่สุดของเซลล์เนี่ยที่เปื้เรียบเสมือนมันสมองของเซลล์ที่เป็นแกนกลางเนี่ยเราเรียกว่านิวเคลียสนะครับผมในนั้นมีอะไรอยู่ลองมาดูกันนะครับเจาะลงไปเรื่อยเื่อยนะครับอย่าเพิ่งหลับนะครับคนที่ค้นพบนิวเคลียสนะครับขอยกเครดิตให้2คนนี้ก่อนก็คือวัตสันแอนด์คริกนะครับเจอสตัคเจอร์ที่เ ร, เรียกว่า DNA ตั้งแต่ในปี1953นะครับผมสตัคเจอร์นี้มีข้อมูลยังไ ง, งมาดูกันนะ ก็ว่าในนิวเคลียสเนี่ยจะมีแท่งที่เราเรียกว่าโครโมโซมอยู่ถ้าเราเอามาคลี่ออกเนี่ยก็จะเป็นรหัสพันธุกรรมที่เราเรียกว่า DNA นะครับผมพอเข้าใจไหมครับพอสอนนักเรียนแพทย์เราก็จะสอนอย่างนี้นะครับ ه, ก็คลี่ออกมาย่อยที่สุดเราก็เรียกว่า DNA นะครับทีนี้ใน DNA เนี่ยมันมีอะไรอยู่นะครับผมมันก็จะมีเหมือนรหัสพันธุกรรมเวลาจะสั่งให้เป็นยังไงสูงต่ำดําขาวเป็นโรคอะไรยังไงก็ขึ้นกับไอ้รหัสพันธุกรรมตัวเนี้ยที่เราเรียกว่ากรรมเนี่ยแหละครับผมนะฮะโดยที่เชื่อหรือไม่ครับ ว่า DNA เนี่ยมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เรานะครับผมสัตว์แบคทีเรียพืชแม้แต่ไวรัสที่ทําให้เราเป็นหวัดไข้ไอเจ็บคอเนี่ยก็มี DNA ของมันอยู่นะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจํานวนของ DNA นะฮะสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนกว่าก็จะมีปริมาณที่มากกว่านะครับผมอันนี้ใครเก่งคณิตศาสตร์สุดในห้องครับมีใครเป็นวิศวะบ้างครับไม่มีเลยนะครับมีใครเก่งเลขบ้างครับโอเคครับงั้นให้พี่ตอบแล้วกันนะครับ นะสมมติว่าโครโมโซมของเรารเป็นขั้นบันไดนะครับโครโมโซมของเราเนี่ยมีเบสแค่4ชนิดนะฮะคำถามนะครับแกง่วงนะครับหรือไม่รู้ทำให้ง่วงมากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีบันได10ขั้นมีสี4 ส, สีเราจะทาได้ทั้งหมดกี่แบบครับถ่รตอบได้บ้างไหมครับ ให้ตอบได้จบปนปอไปเลยครับจากวงซังทุกหลังฉลาดเกินเรียนไม่ได้นะครผู้เล่นนะครับคําตอบคือว่าหมายเลขอนุกรมที่เข้าใจยากมากนะครับสยกกําลัง10นะครับก็เท่ากับล้านกว่าแบบนะฮะเพราะั้นถ้าเพิ่มเป็น11ขั้น12ขั้นเนี่ยจำนวนที่ทาสีก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเพิ่มเป็นพันขั้นเนี่ยก็จะเป็นไม่รู้กี่พันล้านแบบเป็นบิลเลี่ยนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีความซับซ้อนของรหาสพันธุกรรมมากนะฮะเชื่อไหมฮะว่าด้วยรหัสความซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยแต่ถ เป็นล้านๆเนี่ยนะฮะรับผิดไปแม้แต่ตําแหน่งเดียวนะฮะก็จะเกิดโรคทันทีที่หมุนอยู่เนี่ยคื อ, อก็ทางพิการาได้ใช่ไหมใช่ครับที่หมุนอยู่เนี่ยคือรหัสของเม็ดเลือดแดงของร่างกายเรานะครับผมมีทั้งหมดเนี่ย576ตําแหน่งนะฮะแค่เลียงผิดไปแค่ตำแหน่งเดียวลูกศรแดงๆที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับจะเรียงผิดด้วยอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับหน้ามืดตามมะนะครับแห้งหนักนะฮะพอเลียงผิดไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเกิดเป็นโรคเม็ดเลือดจาง ทันทีนะครที่เรียกว่า s i c k น, นเ Cell Anemia นะครอันนี้ก็เป็นโรคเลือดทางพันธุกรรมที่เจอได้พอมีคนเป็นโรคพันธุกรรมเนี้ยก็จะเจอไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆโรคพันธุกรรมเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในประวัติศาสตร์ของผู้นำนะคะะรับก็รัสเซียสังเห็นว่ารัสเซี ย, นยในยุคหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหามากว่า จะต้องจ้างหมอผีหมอดูมาตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนในครอบครัวเป็นโรคเลือดออกง่ายเลือดออกในข้อเพราะว่าอะไรในสมัยก่อนในการแต่งงานแต่งงานไหนไหนในราชวงศ์ถูกไหมฮะไม่ยอมให้ออกไปนอกราชวงศ์แล้วเวลามียีนที่เป็นโรคเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็แต่งงานกันในนั้นก็เจอกัอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะอยู่ในราชวงศ์ตลอดนะฮะอันนี้ก็ให้ถายว่ามนุษย์เนี่ยมีเบสแพร์ทั้งหมดกี่คู่ตอบได้ไหมครับ ตอบไม่ได้นะฮะสามพันล้านคู่ครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อันนี้จะเป็นจุดที่สรุปให้ฟังว่าในเรื่องของกรรมในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะฮะเราที่นั่งอยู่ตรงทุกวันเนี่ยฮะหลอสูงต่ำดำขาวเป็นอะไรฉลาดเรียนอะไรเงี้ยมีหัวทางศิลป์มีหัวทางวิทย์ทางอาร์ตนักร้องเพลงเก่งเนี่ยมีกรรมที่กําหนดมาคือตัวพันธุกรรมครับทีนี้คืออยากให้ข้อสังเกตนะว่าลำดําเบสอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมีความเป็นคณิตศาสตร์ ที่ชัดเจนมากเหมือนเหมือนโปรแกรมถ้าหลายคนในที่นี้คงเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็รู้นะว่าเราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่ด้วยวิธีใช้ความบังเอิญมันต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความฉลาดใช้สิ่งที่เรียกว่าความคิดที่มีระบบระเบียบแบบแผนถ้าเราจะบอกว่ามนุษย์ ที่มันมีหน้าตาแตกต่างกันสูงต่ำดําขาวหล่อหรือสวยหรือหน้าตาขี้เหร่มันเป็นเพราะเพราะว่าความบังเอิญจากการออกแบบพันธุ ก, กรรมนะความบังเอิญเป็นเป็นผู้รับผิด ช, ชอบในการออกแบบพันธุ ก, กรรมเนะี่ยมันเท่ากับว่าคุณต้องเชื่อนะว่าเม็ดฝนหรือว่าเม็ดตายมันมีสิทธิ์เรียงกันได้เป็นคณิตศาสตร์แบบดีเออแต่นี้มันไม่ใช่นะ คือถ้ายิ่งคุณศึกษาเรื่อง DNA หรือว่ายีนติกโคดลงไปลึกเท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่เบื้องหลังซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่ยังไม่รู้นะคือวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นตัวกำหนดรหัสพันธุกรรมรู้แต่ว่ามันมีรหัสพันธุกรรมอยู่จริงหรือว่ารหัสพันธุกรรมเป็นตัวบอกว่าใครจะเกิดมา มีโรคหรือไม่มีโรคนะหรือว่าเขาทำนายได้ขนาดที่ว่านะศึกษาเอาจากเลือดของเลือดเลือดของในคันมารดาเนี่ยเอามาดูนี่บอกได้เลยนะว่าทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาจะมีอารมณ์หุนหันพลันแล่นหรือว่าเป็นพวกอารมณ์เย็นบอกได้กระทั่งว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือว่านานๆที พูดลงไปลึกถึงเรื่องชะตากรรมได้เลยนะหรือกระทั่งว่าจะตายด้วยโรครายแบบไหนอายุประมาณเท่าไหร่ดีเอ็นเเหมือนกับมันวางแผนไม่หมดแต่ถ้าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นมาจากดีเอ็นเมันเท่ากับเราต้องเชื่อว่าเชื่อจุดจบของความพยายามของมนุษย์น่ยคือมันไม่ต้องพยายามอะไรอีกแล้วพอๆกับเชื่อเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างถูกดนบันดาลด้วยอนานาจของเทวดา ไม่แตกต่างกันนี่เราจะมาเอาไอ้ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยมาประกอบกันเป็นความเชื่อในแบบของพุทธได้ยังไงนะอย่าง เ, เรื่องของ DNA เเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามันไม่ใช่ถูกออกแบบมาแบบทอดลูกเตา๋า ไม่ได้ถูกออกแบบด้วยฝีมือของความบังเอิญเราต้องเชื่อว่ามีบางสิ่งที่ออกแบบมาซึ่งอันนี้เป็นสิทธิ์ที่ใครจะเชื่อก็ได้ว่าเทวดาเป็นคนดนบันดาลหรือว่าวิบากของกรรมเป็นคนจัดสรรให้และนอกจากนั้นนะทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยคุณรู้ไหมเขาพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าสามารถจะส่งข้อมูลจากสมองของหนูตัวหนึ่งนะไปยังหนูอีกตัวหนึ่งคือมีการทดลอง ข้ามเมืองผ่านอินเทอร์เน็ตโดยให้หนูตัวหนึ่งเนี่ยถูกเทรนให้ให้แก่แก้โจทย์คือออกจากเขาวงกฎนะสามารถแก้โจทยากๆได้ที่หนูทั่วไปทำไม่ได้นะแล้วเขาเอาคลื่นสมองไอ้สัญญาณสมองจากหนูตัวเนี้ยที่ถูกเทรนเนี่ยส่งไปอีกเมืองหนึ่งนะที่อยู่นิวยอร์กให้หนูที่ยังไม่ได้ถูกเทรน ในการแก้โจทย์ตรงนี้นะผลปรากฏว่าสามารถที่จะแก้ไขไอโจทย์ตรงนี้ไดค้คือสามารถจะออกจากข่าวงกตได้เหมือนกับหนูที่ถูกเทรนแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปไกลถึงขั้นนี้นะแต่โจทย์ที่สําคัญอันดับหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังสงสัยอยู่ในปัจจุบันก็คือว่าสมองเนี่ยถ้ามันเป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างมีข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้จริง มันผลิตการรับรู้ขึ้นมาได้ยังไงคำว่า c o n s c i o n s n e s s หรือว่า awareness เนี่ยไอ้ที่เราสามารถคุยกันได้เนี่ยมันมีการรับรู้นะมันไม่ใช่มีแต่พฤติกรรมไม่ใช่มีแต่ข้อมูลนะแต่มีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันสามารถรับรู้ได้คือฟังได้ได้ยินได้แล้วก็มาคิดเองได้ไอ้ตรงนี้แหละที่เขากำลังค้นหาคำตอบอยู่และความเชื่อของนงักวิทยาศาสตร์นะก็คือว่าสามารถหาคาตอบได้จากสมอง แต่ถ้าหากเชื่อตามแนวของศาสนาจะบอกว่าเราหาคำตอบจ า, จากวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะเพราะว่าวิทยาศาสตร์ไม่มีทางไปถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตแต่ตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธเลยทีเดียวขึ้นต้นศาสนาพุทธเนี่ยนะก็คือพูดเรื่องของจิตพูดเรื่องของจิตที่เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ไม่ได้พูดถึงกาย จะพูดแยกชัดเจนนะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวนี่คือคำที่เหมือนกับคำสำคัญเป็นคีย์เวิร์ดของพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะมันทีนี้ถ้าเรามาคิดนะว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามาถึงขนาดที่ถ่ายถ่ายทอดอสัญญาณสมองจากหนูตัวหนึ่งไปหาหนูอีกตัวหนึ่งได้มันพัฒนาไปถึงขั้นไหนได้อีกนะ มีคนคิดกันล่วงหน้าแล้วว่าต่อไปเนี่ยสามารถที่จะให้คนที่มีความรู้ความสามารถที่จะผ่าตัดแหนะถ่ายทอดข้อมูลในสมองเนี่ยไปให้คนที่ไม่มีความรู้หรือว่าเป็นแค่มือสมัครเล่นเนี่ยได้มีความเก่งได้มีความเชี่ยวชาญชำนาญเท่ากับคนที่เป็นเอ็กซ์เพรเขาคิดล่วงหน้ากันไปถึงขั้นนั้นแหลอะอันนี้ผมอยากจะเอาเทคโนโลยีอีกแบบหนึง่งที่ผมว่าน่าตื่นตาตื่นใจเพิ่งเพิ่งไ ม, ไม่กี่วันมานี้เอง เขาบอกว่ามีนักนักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเยวนะสามารถที่จะทำให้ภาพที่อยู่ในสมองของคุณเนี่ยที่อยู่ในวิชวลแอลโปรเซสซิงโปรเซสเซอร์ของคุณเนี่ยนะมันถ่ายทอดออกมาเป็นสัญญาณภาพได้ซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เทคที่ที่จะเหมือนกันต่อไปนะถ้าคิดได้นะ เอาไปบวกกับเรื่อง DNA อเอาไปบวกกับเรื่องเด็กละลึกชาติอะไรแบบนี้นะสามารถที่จะยืนยันความเชื่อทางศาสนาเข้าไปได้อีกลึกขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะไอ้ไอ้เครื่องเครื่องแปลสัญญาณสมองเนี่ยคือพูดง่ายๆนะว่า เ, เขาเขาค้นพบว่าสมองที่อยู่ด้านหลังนะส่วนที่เป็นไอ้วิชวลโปรเซสเซอร์เนี่ยนะมันสามารถที่จะ ส่งสัญญาณส่งซิ่งแหน่ออกมาให้ตัว Device ์ตัวอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ตรวจจับได้เพียงแต่ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีฐานข้อมูลใบหน้าของคนอยู่นะมารองรับไอตัวขึ้น ส, สัญญาณจากสมองตรงนีนนะ้มันก็สามารถที่จะบอกได้ว่าคนคนนึงกำลังนึกถึงหน้าใครอยู่และเพื่อเพื่อที่จะพิสูจนะ์เขาเอาภาพที่ค น, นไม่เคยเห็น ไปให้ดูนะแล้วเสร็จแล้วก็พยายามนึกนึกถึงใบหน้าคนคนนั้นซึ่งนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้นะว่ า, เ, าเขากำลังนึกถึงรูปรูปไหนอยู่นี้พอผลออกมาเนี่ยนะคื อ, ค, อคืออย่างที่เห็นเนี่ยนะคือจะมีพิกเซลสัญญาณจากสมองเนี่ยออกมาเป็นพิกเซลเข้าสู่อุปกรณ์รับเข้าสู่เครื่องรับแล้วไปตีความ เปรียบเทียบกับ d a t ้ b a s e นะซึ่งปัจจุบันยังมีอยู่น้อยนะว่าน่าจะออกมาเป็นใบหน้าประมาณไหนซึ่งอย่างที่คุณเห็นนะมันใกล้เคียงนะไอ้คนแก่ที่มีหนวดมีคราวเนี่ยมันออกมานี่ผู้ดทดลองห้าคนเนี่ยนึกออกมาได้ใกล้เคียงนี่คนไม่มีผมนะหัวล้านออกมาเนี่ยก็สองสามคนแรกนี่ออกมาใกล้เคียงกันแต่ว่าจะยังมีหนวดมีอะไรผิดเพี้ยนอยู่นิดหน่อย ประเด็นสรุปก็คือว่าถึงวันนี้เทคโนโลยีเริ่มที่จะเข้าใกล้ความจริงอะไรบางอย่างซึ่งถ้ามีความคิดถ้าถ้าสมมุตินะคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วมีความคิดรีเริ่มที่จะเอามาบวกเข้ากับความเชื่อเรื่องกรรมวิบากคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะว่าสามารถพิสูจน์ความเชื่อทางศาสนานด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือ เอาละถึงวันนี้เทคโนโลยียังไม่สามารถพิสูจน์ความเชื่อทางาศาสนาได้อย่างตรงแท้ชัดเจนกระจ่างแจ้งแต่วันหนึ่งถ้ามีเด็กระลึกชาติได้หรือว่ามีคนที่อ้างว่าถอดวิญญาณได้นะเอามาเข้าเครื่องสแกน MRI เนี่ยแล้วถ่ายทอดภาพสัญญาณที่เขาเห็นออกมามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ เราต้องรอวันให้ถึงวันนั้นแต่วันนี้เรามีข้อมูลอะไรอยู่บ้างที่มันจะพอทำให้เชื่อว่าวิบากกรรมเป็นเรื่องจริงหรือกรรมเนี่ยมันมีผลอยู่จริงๆเริ่ ม, มาเอาจากร่างกายและจิตใจของคุณที่เป็นฐานชีวิตในชาตินี้ก็แล้วกันถ้าเชื่อเรื่องชาติถ้าเชื่อเรื่องภพเนี่ยก็ต้องบอกว่าร่างกายนี้กับจิตใจจิตสำนึกแบบนี้ของคุณเนี่ย มันคือวิบากที่เคยทำไว้นะมันคือผลลัพธ์จากการทำอะไรบางอย่างไว้ในชาติก่อนเราตั้งต้นความเชื่อกันอย่างนี้นะว่าเราจะสำรวจคือยังไม่ได้เชื่อนะว่าเป็นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะดูว่าชีวิตนี้จัดฉากให้คุณไว้อย่างไรซึ่งคุณสามารถไปสำรวจได้ด้วยตัวเองไม่ต้องบอกผมไม่ต้องบอกใครแล้วให้คะแนนตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีบุญมาก มีบุญระดับกลางหรือเป็นแค่คนที่มีบุญน้อยอย่างถ้าเกิดมาทุกคนต้องมีพ่อแม่แต่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูคุณหรือเปล่าหรือผู้ที่เลี้ยงดูคุณมาเนี่ยให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยทำให้คุณมีความสุขได้หรือเปล่าเป็นผู้นำที่ดีไหมเป็นคนที่ทำให้ชีวิตของคุณในวัยเด็กที่คุณยังช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยมันอยู่รอดปลอดภัยได้ไหมมีความรู้สึกอบอุ่นไหมถ้าหากว่าพ่อแม่ หรือว่าผู้ที่เลี้ยงดูคุณทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นใจได้ตอขึ้นมาอย่างเด็กธรรมดาดีๆได้อ น, นั้นถือว่าคุณมีบุญในด้านนี้เพราะว่าพ่อแม่เป็นแดนเกิดในทางความเชื่อของศาสนาเ น, นี่ยนะก็คือบอกว่าพ่อแม่คือแดนเกิดคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อย่างเมื่อกี้ที่หมอเขตพูดถึงคําว่าพันธุ ก, กรรมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปคุณไปพูดให้ฝรั่งฟังฝรั่งจะ ง, งงนะเพราะฝรั่งรู้จักแต่ DNA รู้จักแต่ยีนติโค้ด ไม่มีอะไรเกี่ยวกับความว่ากรรมมะเลยแต่คนที่เป็นต้นบัญญตัติคำว่าพันธุกรรมเนี่ยมีความรู้ทางพุทธศาสนาครับบอกได้เลยว่าเขารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กรรมกําหนดมาเพราะว่าเวลาที่พระพุทธเจ้าจะตรัสถึงเรื่องกรรมเนี่ยท่านตรัสว่าคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นแดนเกิด ทำอะไรไว้อย่างไรก็ไปเกิดตอดคล้องกับกรรมแบบนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเบียดเบียนเขาไว่มากๆเนี่ยมันก็มีแดนเกิดเป็นพวกที่ชอบเบียดเบียนเนี่ยคุณเกิดมาปุ๊บเนี่ยถูกพ่อแม่เบียดเบียนทันทีโดยทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าหากว่ากรรมของคุณเป็นไปในทางให้ประโยชน์สุขกับโลกมนุษย์ไว้ในอดีตทั้งชีวิตเลยนะทั้งชีวิตในชาติก่อนเนี่ยพอคนนึกถึงคุณจําคุณไว้ในฐานะของผู้ให้ความสุขกับโลก เกิดมาคุณจะมีผู้เลี้ยงดูให้คุณโตขึ้นมาอย่างเป็นสุขนี่คือเรียกเรียกว่าความสอดคล้องของกรรมและแดนเกิดต่อมาถ้าสำรวจอ่ากตัวเองคือไม่ใช่ให้สำรวจนะว่าเพศชายหรือเพศหญิงมีบุญมากกว่ากันแต่ให้สำรวจว่าคุณพอใจในเพศของตัวเองแค่ไหนถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นแมนเหลือเกินคุณรู้สึกภูมิใจในความเป็นชาย แล้วคุณเป็นเป็นผู้ชายนั่นคือว่ากรรมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเนี่ยมันมาดีคุณไม่เคยไปผิดลูกผิดเมียเขาคุณไม่ได้ไปหมกมุ่นมัวเมาในเรื่องของการย่ำยีเพศตรงข้ามทั้งเพศชายเพศหญิงมีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจในเพศของตัวเองพอๆกันนะคือไม่มีใครล้ําเหลื่อมกันผู้หญิงบางคนอยากเป็นผู้ชายใจจะขาด แต่เป็นไม่ได้ผู้หญิงบางคนมีความคิดข้ามไปอีกขัน้นนึงบอกถ้ามีเงินเมื่อไหร่จะไปผ่าตัดแปลงเพศในขณะที่กลับคั่วกันผู้ชายบางคนก็อยากจะไปผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิงอันนี้คือพูดง่ายๆว่าถ้าสำรวจเข้ามาแล้วคุณมีความพอใจในเพศของตัวเองอันนี้ถือว่ามีบุญในแง่ที่ไม่เคยไปย่ำยีเพศตรงข้ามไม่เคยไปผิดศีลผิดธรรมข้อสาม ต่อมารูปร่างหน้าตาและผิวพรรณถ้าคุณเกิดความรู้สึกว่ามองกระจกแล้วพอใจมีความรู้สึกว่าชื่นชมกับรูปโฉมนามพันของตัวเองหรือกระทั่งว่านะมีแต่คนชมผิวสวยจางแนะไปทำอะไรมาก็เนี่ยแม่ให้มาอย่างนี้เรียกว่าคุณเป็นพวกที่มีบุญพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมที่ทาให้รูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณงามคือ เป็นพวกที่มีเมตตาจิตเป็นพวกที่ไม่มักโกรธท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยนะสตรีที่มักโกรธชาติหน้าเกิดมาผิวพรรณจะซามผิวพรรณจะหยาบหน้ารูปร่างหน้าตามไม่น่าดูนี่คือเรื่องของบุญในการตกแต่งนะอันนี้ความเชื่อทางาศาสนานะย้ําอีกทีว่ายังยังไม่ได้พูดนะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าสํารวจเข้ามามันสามารถสํารวจได้นี่ร่องรอยมันมีอยู่ในตัวของคุณเอง ไม่ต้องดูลึกลงไปถึงเรื่องของระดับ DNA นอะนอกจากนั้นเรื่องแก้วเสียงถ้าหากว่าคุณพูดออกมาแล้วรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นในเสียงของตัวเองเสียงของคุณดีเสียงของคุ ณ, คณทำให้คนฟังแล้วรื่นหูนั่นแสดงว่าในอดีตคุณมีบุญในเรื่องของอการพูดนะเพรา ะ, ะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า เสียงจะแหบเสียงจะไม่น่าฟังถ้าหากพูดจาหยาบคายถ้าหากพูดจาส่อเสียถ้าหากพูดจาป้อ ป, ป่นมดเทสอะไรต่างๆนะพูดง่ายๆว่าถ้าหากศีลเกี่ยวกับเรื่องของมุสาวาศศีลข้อสี่นะคุณทํามาดีคุณรักษามาดีเสียงของคุณจะเป็นที่น่าภูมิใจและยิ่งบางคนนะถ้าใช้เสียงไปในทางทําบุญนะอย่างเช่น ไปประกาศงานบุญหรือว่าไปชักชวนให้คนเข้ามาเลื่อมใสในสัจธรรมนะครับอย่างนี้เกิดใหม่เสียงจะเหมือนนกกาลเวกเลยคือเสียงมีเสียงที่ไพเราะมากนกกาลาเวก ไ, ไม่รู้จักใช่ไห ม, ไมคนรุ่นใหม่ก็คือนกที่มีเสียงเพราะนกที่ได้ยินแล้วเนี่ยคนคือสามารถสะกดให้คนตะลึงได้ ค, คือตะลึงฟังว่าเสียงนี้ไพเราะเหลือเกินนะ อันดับต่อมาเรื่องของสุขภาพแล้วก็กำลังวังชาถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองเจ็บอดอดออดแอดให้สันนิษฐานได้เลยนะว่าชาติก่อนในอดีตในชาติเคยไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากหรือว่าเคยไปทำร้ายร่างกายของคนอื่นไม่มากอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไปชัดเจนว่ากรรมของคนที่ทำผิดศีลข้อหนึ่ง นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือการประทุษร้ายด้วยการทุบตีด้วยการทำให้เจ็บปวดมันมีผลถ้าทำตลอดชีวิตนะมีผลให้ชีวิตต่อมาเนี่ยเจ็บปวยง่ายเจ็บอดอดอนแอดนะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีแล้วบางคนเนี่ยสังเกตนะรักษาหายโรคหนึ่งเป็นโรคใหม่ขึ้นมาแทนคือถ้าหมอก็ให้คำตอบไม่ได้ทำไมมันสวยซ้าสวยซ้อนแบบนี้นะ อุตส่าห์รักษาให้หายแล้วใช้เวล า, มาผมรู้จักนะรักษามาเป็นสิบปีพอหายจากโรคหนึ่งโรคใหม่มาทันทีทั้งๆ ท, ที่เพิ่งดีใจว่าเออตัวเองหายจากโรคนี้หายทรมานสักทีแล้วปรากฏว่าโรคใหม่ทรมานกว่าเก่าอีกอย่างนี้ก็มีนะหมอเขตเจอคนไข้ามาเยอะคงเคยเห็นประเภทนี้บ่อยนะะในขณะที่บางคนเนี่ยสุขภาพดีทั้งชีวิตทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้บํารุงร่างกายเท่าไหร่นะ สูบบุหรี่ปุ๋ยปุ๋ยด้วยกินเหล้าด้วยเนี่ยคนถึงไม่เชื่อไงว่าเหล้ากับบุหรี่เนี่ยมันคือเครื่องบั่นทอนสุขภาพจริงพ่าสุขภาพนี่เชื่อครับผมเชื่ อ, ช, อ, <laughs> ช, อช่ไ ม, มนนี้เป็นหมอมคือคื อ, คอจะบอกว่าบางคนเนี่ยมันมีสุขภาพแข็งแรงกว่าคนอื่นคือต่อให้บริโภคสิ่งที่มันเป็นพิษ ต, ต่อร่างกายเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ไม่ทำตัวเป็นตัวรับไอ้โรคภยไข้เจ็บนะ อนี้ถ้าคุณสำรวจเข้ามาในตัวเองแล้วตอบตัวเองถูกว่าคุณไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเจ็บว่าดอดแอดแอดแสดงว่าในอดีตคุณรักษาศีลข้อหนึ่งไม่ดีนะต่อมาเรื่องฐานะเกี่ยวกับฐานะเนี่ยนะถ้าสำรวจเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าถามตัวเองมี 100. 000. 000. 000. 000ร้อยล้านหรือเปล่าถึงจะเรียกว่ารวยหรือว่ามี แค่มือเงินเก็บในธนาคารแสนสองเศษเรียกว่าจนอะไรแบบนี้คือไม่ใช่สํารวจเอาแบบนั้นนะให้สํารวจว่าคุณมีความลําบากมีความเดือดร้อนเรื่องการเงินแค่ไหนเรื่องความเป็นอยู่เรื่องที่มันจะอํานวยความสะดวกให้กับชีวิตขั้นพื้นฐานเนะี่ยอย่างถ้าเกิดมาปุ๊บเนะียคุณต้องย้ายที่บ่อยๆเดี๋ยวก็โดนธนาคารไล่เดี๋ยวก็ นะพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัวนะเปลี่ยนที่ซ้ําเปลี่ยนที่ซากไปอยู่กับญาติบ้างไปอาศัยคนอื่นอยู่บ้างอะไรต่างๆเนี่ยนะให้สันนิษฐานว่าคุณเคยลักขโมยไว้เยอะหรือว่าช่อฉนไว้เยอะหรือว่ากระทั่งโกงบ้านโกงเมืองไว้นะมันมันมีความชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้นะว่าถ้าหากเป็นผู้ที่เคยช่อฉนเคยผิดศีล ข้อสองอธินาทานไว้มากๆเนี่ยผลก็คือว่าจะมีซัพพินาศคําว่าซัพพินาศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากโจรภัยก็ได้อาจจะเกิดขึ้นจากดินน้ำไฟลมก็ได้คือแผ่นดินไหวพายุซัดหรือว่าไฟไหม้อะไรต่างๆเนี่ยนะมันเป็นไปได้หมดประเด็นก็คือว่าถ้าฐานะของคุณมันทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความสุข ไม่ขาดไม่เกินเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะให้สันนิษฐานว่าศีนข้อสองขงคุณรักษาไว้ดีในอดีตต่อมาเรื่องของครูครูบาอาจารย์ที่มีอิทธิพลทางความเชื่อหรือความรู้ความคิดของคุณอันนี้คนมักจะไม่เคยมองว่าเป็นบุญเป็นบาปอะไรกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมี เ, เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นดัชนีชีวัดได้นะ ว่าคุณมีบุญมากแค่ไหนถ้าหากว่าเกิดมาคุณเจอกับคนที่ให้คําแนะนําผิดผิดหรือว่าปลูกฝังทิฐิผิดผิดนะอย่างผมเจอมาตอนสมัยเด็กๆ เ, เนี่ยประเภทครูยุให้กินเหล้าครูยุให้เป็นโจรบอกว่าถ้าเธอเอาดีไม่ได้เนี่ยเป็นโจรไปเลยสุดตรงไปเลยนะข้างใดข้างหนึ่ง ถ้าไม่เป็นพระเนี่ยให้เลือกเป็นโจรไปอะไรแบบนี้คือฟังดูมันมีแรงบันดาลใจดีนะครูคแนะนำพี่อย่างนี้ครับคือคือสอนครูสอนศาสนาด้วยนะแนะนําพี่แบบนี้พี่ได้เป็นนักแนะนำ <c oughs> แนะนำนักเรียนทัน้งชั้นท้อนักเรียนทั้งชั้นคือคือจริงๆนะเจตนา <c oughs> ท่านจะบอกว่าเออเนี่ยเอาดีให้ถึงที่สุดไปเลยแต่ว่าพูดหลายครั้งเหลือเกินเนี่ยบอกว่าถ้าเอาถ้าเป็นพระไม่ได้เป็นโจรไปเลยลูกนะคือคือสำหรับ บางคนมันทำตัวเป็นรีเซพเตอร์ได้นะว่ามันมีเชื้ออยู่บอกโอเคตัดสินใจแล้วครูสอนศาสนาบอกให้เป็นโจรไปเลยคือจะให้เอาดีถึงที่สุดในด้านใดด้านหนึ่งก็จะเป็นโจร น, นี่แหละ <c oughs> บางทีอันนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างแบบว่าผมเจอมาอย่างนี้ <c oughs> บางคนเนี่ยไม่ให้แนะนำแบบนี้ดิ <c oughs> คือมันแนะนำเลยบอกว่าอยู่มีชีวิตเนี่ยอุทิศให้กับ อะไรบางอย่างที่มันสูงส่วนกว่าชีวิตของอยูเถอะไอ้คาร์บอมหรือว่าไอ้อะไรระเบิดพีชีพเนี่ยมาจากความเชื่อแบบนี้เห็นไหมว่าความการเจอครูแบบไหนเนี่ยมันวัดได้นะว่าคุณมีบุญมาแค่ไหนเคยทำบุญมาแบบไหนหรือเคยก่อบาปมาอย่างไร ก็เคยทำํำมาอย่างไงก็ได้เจอครูแบบนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของครูเนี่ยนะที่มันได้เจอครูดีก็เพราะว่าเคยนับถือและเชื่อฟังปราโตโคสะคือผู้ให้คําแนะนําที่ดีผู้ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ผู้ที่ให้คําแนะนําเป็นเหตุเป็นผลชี้ถูกชี้ผิดว่าอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นโทษพูดง่ายๆว่าเคยได้ครูที่แนะนําทางสวรรค์ทางนิพพานมาก่อนถ้าชาตินี้คุณเจอ ครูประเภทที่ตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยนะบอกมาว่าเออนี่คือทางถูกนี่คือทางผิดให้สันนิษฐานว่าในอดีตคุณเคยนับถือครูที่ดีไว้ก่อนสองข้อสุดท้ายเรื่องของความเฉลียวฉลาดกับวิธีใช้สติคิดอ่านมันคนละเรื่องกันนะอย่างเรื่องของความเฉลียวฉลาดมันหมายถึงว่าคุณมีไอคิวสูงมากพอที่จะไปแก้โจทย์แก้ปัญหายา ก, ยาก ถ้าถ้าฉลาดมากก็สามารถแก้โจทย์แก้ปัญหายากมากได้แบบที่คนอื่นเขาไม่สามารถจะแก้ได้นั่นให้สันนิษฐานว่าคุณเคยที่จะเหมือนกับทาบุญในเรื่องของวิทยาทานให้ความรู้อย่างเช่นสมมติว่าเคยเป็นในช่างแล้วก็ให้ความรู้ให้ความคิดแนวคิดไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการช่างกับลูกศิษย์ลูกหา ไม่จำกัดนะชาติใหม่คุณก็มีปัญญามีความฉเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับเรื่องของการช่างอันนี้ยกตัวอย่างคือพอฉเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับเรื่องของการช่างแล้วไอคิวมันก็มักมจะสูงมันก็สามารถที่จะฉะลาดเรื่องอื่นได้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะอ่าทีนี้คำว่าวิธีใช้สติคิดอ่านมันต่างกับความฉลาดอย่างไรสติคิดอ่านเนี่ยมันไปผูกโยงกับเรื่องของการรู้ถูกรู้ผิด รู้ว่าอะไรเป็นคุณรู้ว่าอะไรเป็นโทษอย่างบางคนเนี่ยฉลาดมากแต่เอาความฉลาดไปแฮ็กข้อมูลคนอื่นเขาพอนึกว่านั่นคือวิธีโชว์พาวนั่นคือวิธีที่จะประกาศให้ลูก ร, รู้ว่านี่ข้าเนี่ยฉลาดฉลาดที่สุดในโลกสามารถแฮ็กเพนทากอนได้สามารถเนี่ยที่จะผลิตไวรัสออกมาแบบที่ไม่มีใครรู้นะแอบไปดูแอบไปฉกข้อมูลคนอื่นเขาได้นี่คือเรียกว่า มันฉลาดแต่ไม่มีสติในการคิดอ่านคือมันไม่รู้อะไม่รู้ล่วงหน้าว่าในที่สุดแล้วมันจะทำความเดือดร้อนอยู่ไม่สุขให้กับชีวิตตัวเองขนาดไหนนะบางคนเนี่ยฉลาดมากแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยขอใช้ความฉลาดในทางที่ไปเอาเปรียบคนอื่นอย่าได้เสียเปรียบคนอื่นเลยคือตั้งต้นไอเดียมาจากครูนั่นแหละบอกว่าห้ามเสียเปรียบคนอื่นนะถ้าเธอเสียเปรียบใครเนี่ยอย่ามาอ้างว่าเป็นลูกศิษย์ของฉัน พ่ามีแนวคิดแบบนี้ต่อให้ฉลาดแค่ไหนนะก็เอาความฉลาดเป็นใช้ในทางที่เป็นพิษเป็นภัยกับโลกแล้วก็ตัวเองสรุปแล้วถ้าเราไม่สามารถจะพิสูจน์เรื่องของกรรมวิบากด้วย DNA ยังไม่ถึงวันนั้นนะเราสามารถสำรวจได้ด้วยใจตอบตัวเองเป็นข้อข้อ ว่าเรามีบุญมากบุญน้อยขนาดไหนสมมติว่าให้แต่ละข้อเนี่ยเป็นคะแนนหนึ่งคะแนนถ้าคุณรวมแล้วเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะใช้ได้เกินห้าได้เกินห้าคะแนนขึ้นไปเนี่ยถือว่ามีบุญนะ <Okay. S 1> ถือว่ามีบุญมาก mm hmm. พอสมควรเพราะว่าถ้าคุณมีคะแนนมีแต้มเกินห้าเนี่ยชีวิตของคุณจัดได้ว่ามีความสุข เเอาอะไรอยากชีวิตจริงๆอ่ะบอกว่าจะต้องเอาโน้นเอานี่จะต้องได้มีอย่างน้อนอย่างนี้ได้มามันไม่รู้จะมีความสุขจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามีปัจจัยเหล่านี้อยู่เป็นพื้นฐานของชีวิตนะคุณสามารถสําสรวจชีวิตตัวเองได้เลยว่าเดิมเนี่ยทำมาดีมีบุญมากพอที่จะเป็นสุขได้หรือเปล่าความสุขในชีวิตความสบายใจในชีวิตนั่นแหละคือแก่นสารที่คนส่วนใหญ่เรียกร้องหากันไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่คนรัก ไม่ใช่ชะตาชีวิตว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาให้ได้เท่าคนนั้นคนนี้แต่ความแต่ความสุขความรู้สึกว่าพอใจในชีวิตต่างหากนะที่เป็นกันสารเอาละเพื่อที่จะได้ได้เห็นนะว่าเมื่อกี้พูดถึงวิบากรูปร่างหน้าตาพ่อแม่มันแก้ไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นความคิดสิ่งที่เป็นเจตนามันแก้กันได้พระพุทธเจ้าตรัสว่า เรากล่าวว่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมเพราะคนเราคิดแล้วจึงพูดคิดแล้วจึงทําพูดง่ายๆว่าต้องมีเจตนาต้องมีความจงใจอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนมันถึงจะคิดพูดอะไรออกมานะพูดออกมาให้คนเจ็บใจพูดออกมาให้คนรู้สึกดีหรือว่าทําในสิ่งที่มันจะสร้างโลกหรือว่าทําลายโลกนี่แหละที่เรียกว่ากรรมสิ่งที่อยู่ในความคิดสิ่งที่มันไม่เป็นรูปธรรม สิ่งที่ยังไม่มีใครเห็นว่าอยู่ในสมองของคุณอย่างไรนั่นแหละเรียกว่ากรรมทุกวันนี้คุณทํากรรมอะไรอยู่ถ้าอจะเชื่อเรื่องกรรมและวิบากให้ลองสํารวจตัวเองนะว่าความเคยชินที่ที่ทําำอยู่เนี่ยมันเป็นไปในทางที่จะให้หรือว่าที่จะเอามันเป็นไปเน้นหนักไปในทางที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นหรือว่าไปเบียดเบียนคนอื่น หลักการมีอยู่ง่ายๆแค่แค่สามหัวข้อนะี่คือเรื่องของทานเรื่องของศีลแล้วก็เรื่องของสติวิธีคิดอ่านกรรมเนี่ยมีสารพัดมีพิสดารมากแต่โดยย่นย่อมีอยู่แค่สามหมวดนี้เท่านั้นกรรมที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันทําจนเป็นนิสัยไม่ใช่ทําแค่วันเดียวนะทําเป็นช่วงเวลาหนึ่งๆเป็นอาจิน เรียกว่าอาจินตกรรมมันสามารถทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้โดยที่ยังไม่ต้องจบชาตินี้ซะก่อนสมมุติว่าเมื่อกี้ตอนผมให้สํารวจวิฐานวิบากของตัวเองเนี่ยถ้าคุณบอกว่าโอ้ต้องยอมรับต้องยอมรับกับใจใจตัวเองว่าได้คะแนนไม่ถึงห้าหมายความว่ากรรมเก่าของคุณเนี่ยทามายังไม่ดีเท่าไหร่ยังมาไม่ถึงครึ่งทางของคนที่จะมีความสุข ถ้าหากว่าสำรวจกรรมของตัวเองนะแล้วพบว่ามีปกติเป็นผู้ชอบให้ทานเป็นผู้ชอบรักษาศีลคุณอาจจะพบด้วยตนเองจากประสบการณ์ภายในว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นนั่นเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าการผู้ให้ทานอยู่ย่อมเป็นผู้ที่มีความสุข คุณลองสังเกตนะตอนที่คุณคิดให้เปล่าคิดแบบหวังอนุเคราะห์จริงๆคิดอยากช่วยเหลือจริงๆไม่ได้หวังผลตอบแทนเนี่ยใจมันคลี่คลายจากอาการเป็นปมเป็นก้อนเนี่ยนะเบิกบานออกไปมันมีลักษณะแผ่ผายออกไปลองเปรียบเทียบกระแสจิตของคุณความรู้สึกของคุณเนี่ยตอนคิดให้จริงๆคิดอยากสงเคราะห์จริงๆริงกับ ต, ตอนที่คิดจะให้เพื่อเอาประโยชน์หรือว่าคิดจะฉกฉวยประโยชน์จากใครมาเป็นประโยชน์ของตัวเอง ต้องสังเกตที่ใจนะตอนคิดให้จริงๆเนี่ยใจตรงกลางใจมันจะรู้สึกว่างแลวกระแสเนี่ยความรับรู้มันจะเหมือนแผ่ออกไปอย่างที่เขาเรียกว่าแผ่เมตตาเนี่ยกระแสเมตตามันเป็นสิ่งที่แผ่ได้ทำให้คุณรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าความสุขทางใจหน้าตามันเป็นแบบนี้ถ้าคุณให้แค่วันเดียวคุณมีความสุขแค่วันเดียวอาจจะชนะของเก่าไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าคุณให้อยู่ทุกวันมีมากมีน้อยชอบให้อย่างบางคนนะเกิดมาแบบไม่ค่อยจะมีแต่ชอบให้จะมีขนมปังจะมีสเศษอาหารอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยชอบเจอจานคนหน้าตาดูมีความสุขกับคนที่บอกว่ามีเงินในธนาคารเป็นร้อยรยล้านอีกผมเคยเจอมานะคนกวาดขยะหน้าตาอิ่มบุญมากเลย เวลาเราเจอคนหน้าตาอิมบุญเราจะไม่ค่อยคิดมากนะคิดแต่ ว, ว่าถ้าทางมันแบบเหมือนคนดีมันมันเข้าสเปคคนดีแต่ไม่รู้ว่าคนดีมีประโยชน์ยังไงถ้าคุณส่องเข้าไปถึงใจเขาได้คุณจะมีความรู้สึกนะคนที่มีความรู้สึกผ่องใสคนที่มีความรู้สึกว่าใจมันสบายอ่ะมันปลอดโปร่งเนี่ยมันเหมือนกับโล่งอกเหมือนกับได้ปลดหนี้เหมือนกับได้มีชีวิตที่สบาย มีชีวิตที่อบอุ่นเป็นสุขแตกต่างจากคนที่มีเป็นร้อยล้านแต่ว่ามันคอยกังวลว่านะีวันนี้จะกําไรหรือขาดทุนปีหน้าถึงเส้นตา ย, เ, ยเดือนมีนาคมเนี่ยจะหมดตัวหรือเปล่าจะถูกยึดทรัพย์หรือเปล่าหรือว่าไอ้ที่ทำทำอยู่เนี่ยถ้าเกิดใครเขาจับได้ขึ้นมาเอาไปฟ้องตํารวจเนี่ยจะติดคุกหรือเปล่าจิตใจมันมันอึนอดอดัดมันกระสับกระส่ายมันมันสับสนอยู่ตลอดเวลามันไม่มีความปร่งโล่ง นี่คือลักษณะของกรรมที่ทําอยู่ในปัจจุบันบอกว่าถ้าเป็นผู้ให้ทานเป็นพวกที่ให้ทานจริงๆด้วยความคิดอนุเคราะห์จริงๆนะจะไม่โกงหายากที่มีประเภทบุคลิกสองบุคลิกซ้อนเนี่ยนะในคนเดียวกันชอบให้ด้วยชอบโกงด้วยมีแต่แต่หายากส่วนใหญ่โดยธรรมชาติเนี่ยคือถ้าชอบให้แล้วจะไม่ค่อยโกงเพราะนั้นคนที่ชอบให้เนี่ยใจจะสบายถึงแม้ว่า ไอ้รูปร่างหน้าตาฐานะหรือว่าไอ้ความเป็นอยู่ชะตากรรมอะไรต่างๆจะไม่ค่อยดีนักแต่ใจมันสบายใจมันโล่งนะหรืออย่างเรื่องของศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไบ้ชัดเจนเลยว่าถ้ารักษาศีลได้เป็นปกติคือไม่ใช่ตั้งใจรักษาตอนที่ไปสัญญากับพระอย่างเดียวนะแต่ตั้งใจเองออกมาจากความอยากจะรักษาศีลให้สะอาดพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเป็นผู้มีปกติไม่เดือดร้อนใจ คือมันจะไม่มีความรุ่มร้อนมันจะมีความรู้สึกว่าสบายใจนะไม่มีใครมาทำร้ายเราแน่ๆเพราะว่าเราไม่ไปเบียดเบียนใครเขาก่อนจากนั้นสำรวจตัวเองนะบางคนเนี่ยคือปัญหาของคนสมัยนี้คือยังไงรู้ไหมบางคนไม่มีปัญหาแต่ชอบสร้างปัญหานั่นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสติมันมีแต่โทสะมันมีแต่อีโก้มันมีแต่ความอยากจะโชว์พาวนะบางทีไม่มีปัญหาชีวิต แต่อยากจะก่อปัญหาขึ้นมาซะอย่างนั้นเองยกตัวอย่างเช่นสามีกลับบ้านมาถ้าคนไม่มีปัญหานะจะหาน้ำมาให้ดื่มถามว่าวันนี้เป็นไงเหนื่อยไหม อ, อ, อยากได้อะไรไหมนี่คือลักษณะของจิตที่ไม่มีปัญหาแต่จิตที่มีปัญหานะจิตที่ขาดสติยั้งคิดเนี่ยสามีกลับบ้านเนะี่ยบอกว่า ทำไมกลับเอาป่านนี้ผิดเวลามันตั้งสิบนาทีนะบางคนเนี่ยคือยังยังไม่ต้องอะไรนะแค่เจอหน้าเมียเนี่ยเข่าอ่อนแล้วคือไปเหนื่อยมาจากเจ้านายเหนื่อยมาจากลูกน้องเพื่อนร่วมงานกลับเข้าบ้านนึกว่าจะได้ที่พักปรากฏว่าได้ที่ร้อนใหม่ที่ทำงานร้อนไม่พอ มาเจอที่บ้านร้อนอีกนี่นี่คือกรรมของคนที่ไม่มีสติไม่มีสติมากพอที่จะคิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าหากว่ากรรมปัจจุบันของของคุณที่กําลังทําทําอยู่เนี่ยมันเป็นไปโดยมีสติเป็นผู้มีสติเนี่ยนะคุณจะเปลี่ยนชีวิตที่ยากลําบากให้เป็นชีวิตที่สบายขึ้นหรือเปลี่ยนชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาให้มีปัญหาน้อยลง ลักษณะของคนที่มีสติคือลักษณะของคนที่ไม่ทําให้ปัญหาชีวิตของตัวเองเกิดขึ้นหรือทําให้ปัญหาของชีวิตตัวเองเนี่ยมันเบาบางลงนะอันนี้ถ้าสํารวจเข้ามาแล้วคุณพบว่าตัวเองเป็นผู้ที่อยู่ในขอบเขตของทานศีลและสตินะครับก็ขอให้บอกตัวเองได้ว่าคุณเป็นผู้มีความสุขอยู่ในปัจจุบันแน่ๆเอาล่ะ ทีนี้เรามายงกันถึงเรื่องของผู้นำความเป็นผู้นำภาวะความเป็นผู้นำที่ผ่านมาเราพูดว่าเราจะเชื่อเรื่องกรรมและวิบากกันได้อย่างไรผมบอกไว้แต่แรกว่าถ้าเราเชื่อจริงๆสำรวจเข้ามาในตัวเองแล้วเกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาว่าสิ่งที่พุทธศาสนาบอกไว้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะ คุณจะสร้างจุดเริ่มต้นของความเป็นผู้นำที่เชื่อเรื่องกรรมและวิบากผมยกเอาเลดี้ไดอาน่าขึ้นมาเพราะเป็นที่รู้จักจริงๆแล้วไม่เลดี้ไดอาน่าจะเชื่อเรื่องกรรมและวิบากหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมจะให้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งเวลาที่คุณนึกถึงเลดี้ไดอาน่าตอนที่เห็นเธอออกข่าวหรือว่าปรากฏตัวตามหน้านิตยสารหนังสือพิม คุณรู้สึกถึงความสว่างอย่างใหญ่อะไรบางอย่างบ้างไหมรู้สึกถึงความเป็นดาวเด่นอะไรบางอย่างบ้างไหมคือพอเอาไม่ต้องไม่ต้องในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ต้องในบนสไลด์นี้ก็ได้นึกถึงเลดี้ไดอาน่าขึ้นมาในใจคุณเนี่ยแล้วนึกถึงไ อ, ไอ้ไอ้ไอ้ความนึกถึงตรง น, นั้นน่ยมันทําให้เกิดภาพแบบไหนภาพความสว่างหรือว่าภาพของความมืด ถ้าคุณไม่ใบแอดถ้าไม่ลำเอียงถ้าไม่มีอคติอะไรกับเลดี้เดียราเป็นพิเศษแล้วไม่ไปพูดถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องผิดเรื่องถูกอะไรที่มันพิสูจน์กันได้ยากนะคุณจะรู้สึกว่าเลดี้เดียร์าในใจคุณเนี่ยเป็นความสว่างเลดี้เดียรามีส่วนร่วมกับแคมเปญหลายแคมเปญทั้งเรื่องโลกเอดทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องนูน่นเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับโลก ผมประทับใจครั้งหนึ่งฟังจากในข่าวผมจำชื่อแคมเปญไม่ได้จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแคมเปญ น, นั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บแบบไหนแต่ผมจำคำที่เจ้าของแคมเปญพูดถึงเลดีนน้ไดนาได้จำมาได้จนทุกวันนี้เขาเป็นในพลนะมีอำนาจเต็มรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องแคมเปญ น, นันะ แล้วเขาทำแคมเปญนั้นมาประมาณ 5-6 ปีโดยความสนับสนุนร่วมมือจากรัฐบาลท่านในพลบอกว่าที่ทำแคมเปญนี้มาเนี่ยใช้คนนะเป็นพันพันคนใช้ทุนของรัฐเนี่ยเป็นพันพันล้านเหรียญในช่วงเวลาห6ปีที่ผ่านมาเนี่ย มันกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างไม่ได้เท่าที่เลดี้ไดอาน่ามาแค่วันเดียวนี่คืออิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ของบุคคลคนหนึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยนะหน้าตาสวยกว่าปกตนะิแต่ว่าก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งนี่คือตัวอย่างของความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ผมบอกตรงๆนะเลดี้เดน่าไม่ได้เป็นคนคิดสคริปต์เองนะเวลาเธอพูดเนะี่ยแล้วเวลาที่เธอเข้าร่วมกับแคมเปญต่างๆเขาเชิญมาบางทีเธอไม่ได้คิดเองมีมัมนกันบางแคมเปญเธอคิดเองแต่ส่วนใหญ่เก้าสิบผมว่าเก้าสบเก้าอร์เซเกินกว่าเก้าสบเก้า็คนเขาเชิญมาประเด็นคือว่าเมื่อเธอเข้าร่วมแคมเปญ ทุกครั้งเธอคือความสว่างของงานแล้วมีความเป็นแม่เหล็กมากพอที่จะดึงดูดความสนใจของคนจากทั่วโลกให้มาสนใจในตัวเธอและแคมเปญที่เธอกําลังประมวทอยู่นี่คือผู้นําทางความสว่างที่ผมนํามายกตัวอย่างอันนี้จะยกตัวอย่างใกล้ตัวก็ได้ อ, อ, อย่างหลายๆคนเนี่ย คงโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยนะในห้องนี้เนี่ยที่เคยมีปัญหากับแฟนอาจจะเคยฟังเพลงของปานธนพรมานีแล้วก็ได้รับอิทธิพลบางอย่างจากเพลงของปานมาเพลงอะไรครับอ่าอย่างเช่นเพลงที่ด่าผู้ชายเนี่ ย, ผ, ยผู้ชายฟังแล้วจะรู้สึกจึก <c oughs> นี่ด่าเราหรือเปล่านะบังเอิญว่ามันตรงกับตัวเราเนีคือ ผู้หญิงเนี่ยบางทีเนี่ยแฟนเนี่ยนะเอาไปเปิดกรอกหูเอาเพลงของปานเนี่ยไปเปิดให้ฟังว่านี่เธอเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจดจำปานได้เป็นพิเศษเสียงของปานเนี่ยนะเป็นเสียงประเภทที่ว่าถ้าร้องเพลงนะผิดก็ทําตําก็รู้อะไรแบบนี้นะมันจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิมฮึกเหิมไปในทางมืด คงคงจำได้นะไอ้ผิดก็ทําตําก็รู้อะไรเนี่ยผมมีโอกาสคุยกับปานปานบอกว่าจริงๆแล้วนะไม่ได้ชอบไม่ได้อยากจะร้องเพลงพวกนั้นเลยเพลงที่เพลงที่ฟังแล้วมืดเนะี่ยปานเคยเนี่ยขอให้ผมแต่งเพลงให้นะทุกวันนี้ก็มีอยู่ใน u t u b e ลองไปฟังดูเพลงพุทธคุณเพลงกลาบหลงตาอะไรเงี้ย เพลงในทางที่มันสว่างเพลงในทางที่เป็นกุศลเนี่ยไม่ค่อยมีใครฟังแล้วหรือฟังก็จำไม่ได้ว่าเนี่ยปานร้องแต่ไปจำได้ในแบบที่นะฮะยั่วยุให้เกิดความฮึกเหิมในทางเกลียดกันหรือว่าในทางที่จะก่อให้เกิดกำลังใจอะไรแบบที่มันค่อนข้างจะร้อนแดงอะไรแบบนั้นนะนะปานก็เคยคุยกับผมเรื่องนี้ว่า ไ, ไปทากรรมอะไรมา ทำไมเวลาใช้เสียงในแบบที่ยั่วยุให้คนเกิดกิเลสเนี่ยมันตามกันจังฟังกันจังชอบกันจังแล้วก็จดจำด้วยคือเวลาคนนึกถึงปานจะจดจำว่าเป็นเพลงด่าผู้ชายเป็นนักร้องที่ยั่วยุ ก, กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ในทางโทสะหรือว่าไอ้ละครเรื่องล่าสุดเนี่ยนะผิดกระทาตก็รู้อะไรเนี่ยมันเหมือนกับโน้มน้าวให้เกิดความหลงผิด แต่ยังเพลงธรรมะร้องเสียงใสเลยนะมีความสุขมากนะบอกว่าร้องร้องเพลงธรรมะเนี่ยมีความสุขไปเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนแต่ไม่เป็นที่จดจำอันนี้ถ้าเรามองในแง่ของกรรมและบิบากมันมีความเป็นผู้นำอยู่ชนิดหนึ่งที่เคยทำไว้ในอดีตและความเป็นผู้นำชนิดนั้นเนี่ยมันติดตัวมาเป็น ตัวทําให้คนเกิดความประทับใจหรือเกิดความจดจําอย่างน้องปานเนี่ยถ้าเคยประเภทที่ว่าใช้เสียงนะปลุกระดมหรือว่ากระตุ้นให้คนนะเกิดความฮึกเหิมมาที่จะพร้อมที่จะรบพร้อมที่จะสู้มันก็ทําให้เสียงที่ปรุงแต่งขึ้นมาในชีวิตต่อมาเนี่ยนะมันเป็นไปนในทางกระตุ้นให้เกิดแพชชั่นหรือว่าเกิดโทสะหรือว่าเกิดอารมณ์ร่วมอะไรบางอย่าง แต่จะไม่ออกในทางที่ทำให้คนรู้สึกไปในแบบเห็นภาพสวรรค์เห็นภาพาความสงบเห็นภาพของสันตินะล อ, ลองกลับไปฟังดูก็ได้คุณลองไปฟังเปรียบเทียบดูนะเนี่ยแนะให้ดูเลยว่าปานธนพรแล้วก็คีย์เวิร์ดธรรมะนะมันจะมีเพลงธรรมะที่เผยแพร่ใน YouTube เยอะแยะเลยลองฟังแล้วไปเปรียบเทียบกับตอนที่เขาร้องเพลงแบบค่อนข้างนุนแรง ที่ใช้อารมณ์ออมากระแทกให้ใจเนี่ยเกิดความหึกเขิมเกิดความรู้สึกเหมือนกับพุ่งพลานอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคุณจะเห็นภาพของปานธนบรแตกต่างกันแล้วรู้สึกเลยว่าการจดจำเนี่ยอย่างไหนที่มันชัดเจนกว่าเสียงเพราะเหมือนกันนะแต่ว่าความจดจาไม่เหมือนกันนี่ก็คือเรื่องสามารถโยงไปในเรื่องของกรรมและวิบากได้ถ้าคุณเคยเป็นผู้นาในแบบไหนมา คุณจะมากระตุ้นให้เกิดความคล้อยตามในแบบนั้นอีกเหมือนกับเลดี้ไดอาน่าถ้าคุณนึกถึงภาพของเลดี้ไดอาน่าขึ้นมาแล้วนึกถึงภาพผมสีทองแล้วก็แต่งตัวสีขาวมีความสว่างมีออร่าสวยๆนั่นคือสภาพของจิตวิญญาณแบบที่เธอเป็นคือเธอเคยเหนียวนำ เคยให้ความร่วมมือเคยกระตุ้นให้คนเกิดความเห็นเกิดมโนทัศน์ในทางดีงามในทางที่อยากจะทำบุญทำกุศลในอยากที่จะทำให้โรงนี้จเจริญขึ้นในชาติต่อมาถึงแม้ว่าเธอยังไม่มีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็จะมีคนชวนทำแล้วพอทําแล้วก็จะเป็นแรงแม่เหล็กที่ดึงดูดคนให้มาคล้อยตามได้ด้วย นี่มาพูดถึงเรื่องที่เดี๋ยวจะให้ทำเป็นกิจกรรมในวันนี้นะนี่คือทางซ้ายมือคือรูปของมหาธรรมคานทีทุกคนรู้จักดีแล้วก็คงไม่ต้องเอ่อยแนะนำกันมากมายท่านเป็นผู้นำทางเรื่องของสันติภาพเวลาคนจดจำท่านเนี่ยจะจดจำในฐานะของผู้ที่นำสันติมาสู่โลกนี้ ม า, มาตมาคันทีนี่เคยอดข้าวบะท้วงนะเรียกร้องสันติภาพบางคนคิดว่าที่ท่านทําสําเร็จเพราะท่านอดข้าวบะทวงแต่จริงๆผมอยากจะให้ข้อสังเกตว่าถ้าอดข้าวบะทวงอย่างเดียวเรียกคนไม่ได้มากหรอกแต่อดก่อนอดข้าวบะท้วงพูดอะไรที่โดนใจคนกระแทกใจคนแล้วเกิดอารมณ์ร่วมมาก่อนแล้วมาเห็นภาพของใจจริง บอกว่าอยากเรี่งร้อนสันติจากรัฐบาลด้วยการอดข้าะท u นี g มันเกิดอารมณ์ร่วมขึ้นมามหาธมาคันธีเคยพูดนะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพวกเขาหมายถึงรัฐบาลพวกเขาหัวเราะ ย, ย่อคุณต่อมาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกเออเดี๋ยวพูดผิดตอนแรกพวกเขาเพิกเฉยเมินชาคุณคือไม่สนใจ ว่าคุณจะเป็นใครจะยากจนจะเดือดร้อนจะลำบากแค่ไหนต่อมาพวกเขาหัวเราะเยาะคุณเวลาที่คุณพยายามจะมาต่อสู้และต่อมาอีกพอมวลชนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพวกเขาต้องมาต่อสู้กับคุณและในที่สุดสุดท้ายพวกเขาแพ้คุณนี่คือคำพูดที่มหาตามาคาันธีพูดหลังจากที่สามารถเรียกร้องสันติภาพได้ในระดับหนึ่ง มหาธรรมคันธีเนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งมากนะคือคำพูดบางคำเนี่ยมันหยุดพวกหัวรุนแรงได้อย่างตอนนั้นอขออนุ ญ, ญาตพูดถึงต่างศาสนา น, นิดหนึ่งคือศาสนานทุกศาสนานเนี่ยถ้านับถือถูกจุดเนี่ยมันสงบมันมีสันติภาพกระทั่งนั้นแนะแต่บางคนเนี่ยนับถือศาสน า, นายังไงไม่ทราบมันหัวรุนแรงมีพวกที่ก่อความรุนแรงก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย อยู่ช่วงหนึ่งในอินเดียเป็นชาวคริสต์เป็นพวกคริสเตียนมหาธรรมคันธีใช้คำพูดแค่ไม่อีกคำนะบอกว่า Jesus is ideal and wonderful But you Christians You are not like him พูดแค่นี้มันสามารถทำให้พวกหัวนูนแรงบางคนเนี่ยมันหยุดได้ คือมันมันได้คิดเนี่ยว่าเขากำลังทำตามผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดคือจีสัสแต่อะไรบ้างที่เขาตามจีสัสอะไรบ้างที่เขาลอกเรียนแบบหรือว่าจะเดินรอยตามจีสัสมันไม่มีมันมีต่ความอยากจะก่อความรุนแรงนะเรียกร้องเอาด้วยความรุนแรงเรียกร้องเอาด้วยความวุ่นวายมาตมัคันทีพูดแค่นี้เขาหยุดได้นี่คือ ความสามารถของผู้นำในโลกสันติคือมหาตามะคันธีเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธาในศาสนาพุทธเคยพูดอยู่คำหนึง่งบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำทางสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมาเพราะว่าอะไรหลักฐานมันมีครับศาสนาพุทธไม่เคยก่อสงครามศาสนา ผู้นำทางจิตวิญญาณขั้นสูงสุดคือพระพุทธเจ้าบรมครูของเราเนี่ยไม่เคยให้โอกาสไม่เคยเปิดโอกาสให้ฆ่าใครเพื่อความถูกต้องพุทธศาสนาถึงสืบทอดมาด้วยสันติไม่ใช่ด้วยการรบราค่าฝันแล้วมหาตามะคาันทีก็เป็นสาวกคนหนึ่งของพระพุทธเจ้า ทั้งๆ ท, ที่เคยมีคนยกย่องนะบอกว่ารองลงมาจากพระพุทธเจ้ามีมหาธ ร, รมะขันธีเนี่ยที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่สามารถจะมีอิทธิพลทางความคิดกับคนในโลกได้มากขนาดนั้นเอาละ่ะผมเอารูปฮิตเลอร์มาเทียบเคียงทําไมจริงๆแล้วไม่ได้แค่จะมาบอกนะบอกว่ามหาธรมะขันธีเป็นผู้นําโลกสันติแล้วก็คิตเลอร์เป็นผู้นําโลกสงคราม แต่ผมกําำลังจะบอกว่าเคยมีครั้งหนึ่งคุณอาจจะไม่ทราบหลายๆคนคงไม่รับรู้ว่ามหาธรมะคารทีเคยเขียนจดหมายถึงฮิตเลอร์ด้วยฉบับหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เยอรม น, เรม น, นีเนี่ยนะได้เข้าไปยึดเชโกสโลวาเกียสำเร็จแล้วก็มีเขาว่าจะลุกลามต่อไปขยายการย่ายีขยายการยึดอำนาจนะการปกครอง คือก่อเป็นสงครามโลกอะพอคนเห็นเขากันอย่างนี้ก็เลยมาขอร้องมหาธรรมาการทีบอกว่าช่วยส่งสารช่วยพูดอะไรถึงฮิตเลอร์หน่อยได้ไหมนี่คือจดหมายฉบับจริงที่พิมพ์แล้วก็เซ็นโดยมหาธรรมาการทีมหาธรรมาการทีเขียนเองเนะพิมพ์เองหรือเปล่าไม่ทราบแต่รูปเมื่อกี้เนี่ยคือรูปที่มหาธรรมาการีเขียนจดหมายอยู่ มหาตามหคันทีขึ้นต้นจดหมายแบบอ่อนน้อมถ่อมตนนะบอกว่ามีเพื่อนๆหลายคนมาขอให้ผมเขียนถึงคุณเพื่อเห็นแก่มนุษยชาติผมเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นการบังอาจแสดงความอาหังการที่จะมาเขียนอะไรตักเตือนคุณหรือว่าเขียนถึงคุณเพื่อที่จะน้มน้าวให้เปลี่ยนใจแต่เอาละคือ ยังไงผมก็จะเขียนจากมุมมองของผมโดยที่คือไม่ใช่จะคาดหมายอะไรหรือว่าจะไปกะเกณฑ์ให้คุณทําตามหรือไม่ทําตามนะแต่ผมขอพูดคำหนึ่งตอนเนี้ในโลกมนุษย์เนี่ยนะมีคุณอยู่คนเดียวที่มีอํานาจมากที่สุดที่จะยับยัง้งไม่ให้สถานะของมนุษย์เนี่ยนะมันตกต่ําลงไปเป็นแดนปีศาจที่ป่าเถื่อน มีคุณอยู่คนเดียวที่ทำได้ยับยั้งได้คุณอย่าฟังแล้วไม่ฟังก็ไม่รู้นะไอ้คำขอร้องให้พิจารณาจากคนที่รักสันติแล้วเกลียดสงครามแบบผมเนี่ยแล้วถ้าหากว่าผมเขียนอะไรมามันเป็นการรบกวนจิตใจหรือว่าเขียนเขียนสิ่งที่นะฮะมันมันเป็นการผิดกาลเทศะเนี่ยก็ขอได้โปรดอภัยด้วยปรากฏว่า จนหมายฉบับนี้ถูกรัฐบาลอังกฤษแทรกแซงไปไม่ถึงมือฮิตเลอร์คือมีคนสงสัยนะว่าถ้าฮิตเลอร์ได้อ่านจดหมายฉบับนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมผลคือว่าจดหมายไปไม่ถึงมือฮิตเลอร์หนึ่งเดือนต่อมาฮิตเลอร์ยึดโปแลนด์และสงครามก็ค่อยๆลุกลามอย่างที่เรารู้ในจากในประวัติศาสตร์กันแล้ว ผู้นำที่อยู่ในโลกสันติกับผู้นำที่อยู่ในโลกสงครามไม่ได้มีโอกาสเจอกันแต่เราจดจำฮิตเลอร์ไว้ในฐานะของอาจยากรสงครามเป็นฆาตกรบ้าเลือดคนที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติฆ่าคนไปหกล้านคนหกล้านเะนี่ยไม่ใช่น้อยๆ น, นะ ถ้าเกิดวันนี้เราวันนี้เราได้คุยกันนะคะเรื่องของภาวะการเป็นผู้นําในโลกสันติแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าการที่เราจะเป็นผู้นําได้เนี่ยมันต้องมีมุมมองมันต้องมีมุมมองต้องมีมมความเชื่ออยู่อยู่ว่าอยู่ๆเราอยากจะเป็นผู้นําแล้วเราก็ขึ้นมานําคนแต่ว่าก่อนที่เราจะกลายมาเป็นผู้นําได้เนี่ยสิ่งที่มันสําคัญคือว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นผู้นําที่ ทั้งโลกตามคุณหรือเปล่าหรือทั้งประเทศตามคุณหรือเปล่าหรือจะเป็นเพียงแค่ผู้นําที่ครอบครัวตามคุณหรือเปล่ามันอยู่ที่ว่าความสําคัญมันคือว่าคุณต้องการให้คนเนี่ยเชื่ออะไรเชื่ออะไรแล้วก็เห็นคุณเนี่ยในลักษณะแบบไหนมีอดทอนกับโลกยังไงใช่อันนั้นคือจะว่ามันคือสิ่งที่เราได้รู้มาว่าการจะเป็นผู้นําเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วขึ้นขึ้นมาเป็นผู้นําแต่การยอมรับในตัวเองคือที่เราพูดมาว่าเราได้เห็นตัวเองบ้างไหมวิบากกรรมเราเนี่ยถ้าได้ทาง พุทธศาสนาเนี่ยมันคือคำว่าวิบากกรรมแต่ในศาสนาอื่นๆเนี่ยคือเหมือนถือว่าเราเรารู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนเรามีการยอมรับตัวเองมากขนาดไหนแล้วเรามีทัศนคติต่อการกระทําของเราเนี่ยเราทําเพื่ออะไรบางคนเพื่อที่สแสวงหาอํานาจเพื่อที่จะชดเชยในสิ่งที่เรื่องไม่มีวันนี้คือทุกคนได้มาเรียนคอสในสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยคือได้กลายเป็นผู้นํา วันนี้ทุกคนมีภาวะการเป็นผู้นำแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเราต้องการให้คนจดจำเราในลักษณะการเป็นผู้นำแบบไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วคุณพอใจอย่าง<จ>อย่างเช่นที่เอ่อพอมารามาคานทีส่งสารถึงฮิตเลอร์ไม่สำเร็จนี่นะก็น่าสงสัยนะว่าถ้ามีคนที่มีทิพลระดับโลก อ, อย่างคานทีเนี่ยไปคุยกับฮิตเลอร์มันจะ จะไม่รู้จะเหนี่ยวนําฮิตเลอร์ได้แบบคันทีหรือเปล่านะี่จนหมายฉบับนี้น่าน่าสนใจนะว่าถ้าไปถึงมือฮิตเลอร์เนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นจะเปลี่ย น, นแปลงอะไรได้ไหมเสียดายที่จนหมายฉบับนี้ไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติวันนี้ตอนนี้จะอยากเร้าถ้าแบบที่ทุนสามารถจะเหมือนถอดจิตอะ่ะแล้วถอดจิตแล้วไปเข้าอยู่ในฝันของฮิตเลอร์ได้ตอนนั้นเนี่ยที่ทุนจะไปบอกเขาว่าอะไรอยากจะถ่ายทอดอะไร บอกเขาบ้างอยถ้าจะ <c oughs> คือเรามาจากยุคอาณาคอนะค <c oughs> ้าเราเราจะเราเห็นนะในสิ่งที่ว่าถ้าอยู่ทําแบบนี้อยู่นี้นะคนทั้งโลกจาคุณแบบนี้แบบนี้เราเป็นคนจากโลกอนาคตนะ <Okay. S 2> เราไปบอกเขาโ อ, อ, คอเคจะบอกเขาว่าอะไรก่อนอื่นคือผมก็คงจะต้องศึกษาคิดเล่าให้ดีๆนะค <c oughs> ุณลวนใหญ่เนี่ยแล้วเวลา อ, อพวกสื่อ พูดถึงฮิตเลอร์เนี่ยจะพูดในฐานะเขาเป็นคนเลวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเด็กร้องให้เห็นก็ยังหยุดอนะ่ะ <laughs> คือเห็นแค่หนวดจิมของฮิตเลอร์เนี่ยสามารถที่จะเกิดความรู้สึกชงักได้อย่างที่ผมเคยบอกนะในช่วงต้นเนี่ยแม้แต่พวกในผลในพันที่มี จ, จิตใจค่อนข้างจะซาดิสโหดร้ายโหดเยี่ยมเห็นฮิตเลอร์เดินเข้ามาในห้องมีความรู้สึกเหมือนถูกไฟช็อต ก็มีอิทธิพลขนาดนั้นนะแต่ผมดูรูปฮิตเลอร์ตอนแรกอ่ะไม่รู้มีใครรู้สึกแบบผมไหมว่าฮิตเลอร์ไม่ใช่คนเยี้มโหดนะไม่ใช่คนใจร้ายนะผมมีหลักฐานอะไรบางอย่างจะให้พวกคุณดูถ้าถามคุณว่าฮิตเลอร์ถ้าให้ฮิตเลอร์วาดภาพฮิตเลอร์จะวาดอะไร พวกคุส่วนใหญ่คงบอกว่าคงวาดสงครามไฟการฆ่าฟันอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วนี่ครับนี่คือผลงานของฮิตเลอร์นะเขาชอบวาดรูปชอบวาดสีรูปสีระบายน้ำนะฮะรูปรูปสีน้ําชอบระบายสีน้ํามาตั้งแต่เด็กๆตอนโตก็ยังวาดอยู่รูปที่เขาวาดแต่ละรูปเนี่ยมันแสดงถึง ความสงบนะียอย่างอย่างรูปนั่งอยู่บนระพานเนี่ยอันนั้นคือตัวแทนความสันโดษลักษณะจิตใจที่มันรักสงบแล้วก็อย่างบ้านเดือนที่เขาวาดเนี่ยนะหรือว่าทิวทัศน์ที่เขาระบายออกมาจากอารมณ์จริงๆที่มันเป็นของแท้ของจริงข้างในนยะมันชวนให้นึกว่าเขาเป็นศิลปินที่อ่อนไหวมากกว่าจะเป็นพเด็จการที่บ้าอำนาจเพราะภาพวาดเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าคุณศึกษาเรื่องเกี่ยวกับศิลปะมากพอจะเข้าใจอย่างหนึ่งว่าศิลปินไม่สามารถวาดวาดภาพอะไรบ่อยๆที่ตัวเองไม่ได้ชอบที่ตัวเองไม่ได้รักถ้าคุณไปเสิร์ช ด, ดูใน Google บอกว่า Hitler p a i n t i n g มันจะมีภาพอะไรพวกนี้ออกมาเป็นร้อยๆภาพเลยเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนจิตใจที่แท้จริงของฮอร์ ไม่ค่อยมีคนจดจำเพราะนั้นถ้าในวันนี้ผมมีความสามารถถอดจิตไปเข้าฝันฮิตเลอร์ได้ในอดีตเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือฮิตเลอร์คุณทำไม่สำเร็จแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจคุณทุกวันนี้ยิวที่เลวร้ายยังครองโลกอยู่ ส่วนยิวที่ดีๆเนี่ยไม่เป็นที่จดจำอย่างบางประเทศนะเขาปกครองกันแบบผู้นำเป็นเผด็จการคำว่าเผด็จการไม่ได้เลวร้วายเสมอไปนะอยู่มา30สปีประชาชนรักผู้นำคนนี้มากแต่ผู้นำคนนี้ไม่ก้มหัวให้ธนาคารบางธนาคารที่ยิวปกครองอยู่ธนาคารนั้นชื่อว่าราัสชัยธนาคารนั้นมีอำนาจมากขนาดที่ จะสั่งให้ประธานาธิบดีของประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกไปฆ่าผู้นำเผด็จการของประเทศประเทศนั้นโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรอะไรเลยชาวยูวที่มีแนวคิดแบบปกครองโลกแล้วก็เหยียดผิวเหยียดชนชาติอื่นยังมีอยู่เต็มโลกไปหมด นี่คือความไม่สำเร็จของฮิตเลอร์แต่สิ่งที่ทุกคนจดจำฮิตเลอร์ก็คือฮิเออเตเลอร์เป็นอาตยากรสงครามเป็นฆาตกรเป็นเป็นอฆาตกรที่ทำการทาตกรรมคนมากที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเคยบันทึกไว้นั่นคือฆ่าคนไปถึงหล้านคนคนยิวที่มีทั้งดีแล้วก็ชั่วหล้านคนนั้นปะปนกันไม่มีการแยก มีแต่การเอามารวมกันบอกว่าเป็นชนชาติยิวแล้วก็ฆ่าฮิตเลอร์มีความสามารถมากพอที่จะทำให้คนของเขาเนี่ยเชื่อว่าชาวยิวต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกทำให้เชื่อได้เป็นจริงเป็นจังนะขนาดที่เกิดการกระทำเอาคนยิวทั้งประเทศมากักแล้วก็มาฆ่าผมจะบอกฮิตเลอร์บอกว่าถ้าผมเป็นคุณ ซึ่งมีอำนาจมากขนาดเอายิวทั้งประเทศเนี่ยมากักกันอยู่ในค่ายกักกันได้เอามาทดลองควักตับไตไส้พุงออกมานะทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นึกอยากจะฆ่าทิ้งก็ฆ่าได้เหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยถ้าผมมีอำนาจขนาดนั้นนะผมจะเอาเขามากักกันเหมือนกันแต่ให้อำนาจกับชาวยิวที่ดีๆ ไปสอนชาวยิวที่มันมีความคิดเร็วๆเพราะว่าคนยิวเนะคุณจำไม่เลยว่าเป็นพวกที่เหยียดชนชั้นเหยียดชนชาติมากที่สุดในโลกเขาจะไม่รับการสั่งสอนจากชนชาติอื่นที่ไม่ใช่ยิวด้วยกันโดยเฉพาะในยุคนั้นนะ Jesus Christ ก็เป็นยิวนะคนดีที่สุดในโลกคนหนึ่งก็เป็นยิวเหมือนกันเพราะนั้นผมเชื่อว่าถ้ามียิวที่ดี แล้วก็มีอานาจมากพอมาเปลี่ยนใจพวกพ้องของตัวเองได้เนี่ยเผ่าพันยิวที่เลวร้ายจะหายไปจากโลกนี้ได้จริงแต่ไม่ใช่ด้วยการฆ่าไม่ใช่ด้วยการเอาไปเข้าห้องอบควันพิษนะอบแก๊สพิษไม่ใช่เอาไปยิงเป้าไม่ใช่เอาไปฆ่าฟันได้แบบไม่ต้องมีเหตุผลฮิตเลอร์ทำไม่สำเร็จคุณทำให้สำเร็จและถ้า คุณเห็นตัวเองในอีกสิบปีหรือว่าร้อยปีต่อมาว่านอกจากทำไม่สำเร็จยังเป็นที่จดจำในทางที่เลวทรามในทางที่เป็นปีาศาจซาตานทั้งๆ ท, ที่ในใจของคุณคุณอาจจะคิดในทางที่จะทำให้โลกนี้มันดีขึ้นก็ไม่มีใครเข้าใจคุณมันไม่มีประโยชน์นะผมคงบอกเขา ว่าถ้าผมเป็นเขาผมจะเปลี่ยนวิธีเอาคนดีมาสอนคนเลวไม่ใช่เอาคนยิวทั้งหมดมาเหมารวมปั้นเป็นก้อนแล้วก็ยิงทิ้งอย่างที่เขาทำเสียดายนะคะเสียดายคนตายไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังด้วยฮะครับก็สำหรับที่ฟังมาจากพี่ตุลที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือคอนเซปต์เนี้ยผมเคยได้คุยกับอาจารย์วรัต์ผู้เจริญ คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นาซ่านะครเป็นคนไทยที่ตอนนี้กลับมาทําอยู่เรื่องการฝึกอบรมจาย์บอกว่าการที่จะสอนคนสักคนหนึ่งเนี่ยการที่จะวิาพากษ์วิจารณ์อะไรบางอย่างเนี่ยให้จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืดคือเราเจอคนคนนึ่งทำไม่ดีเนี่ยฮะเราไปดังดา่าให้เองมันเลวเองมันชัว่วเองมันแย่เองมันไม่ได้เรื่องเองมันขยะสังคมไม่มีประโยชน์ ทำด่าให้ตายก็ไม่ดีเพราะนี่ก็แล้บางทีอาจจะเข้าใจเพราะปิดด้วยใช่ครับว่าเจตนาเขาเป็นยังไงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราคน้นพบว่าใครสักคนหนึ่งในชีวิตเนี่ยฮะเขามีอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์ศิลปินค้นหาจุดดีในจิตใจเขาไม่เจอแล้วกระตุ้นตรงนั้นออกมาผมว่าตรงนี้จะเป็นนั่นแหลนะคือสิ่งที่ผมเชื่อที่ที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าว่าฮิตเริ่มไม่ได้ตั้งใจจะเป็นฆาตรกรคือคืออย่างงี้นะมันมันมีประวัติบอกมาซึ่ง ไม่มีใครรู้ว่าถูกหรือผิดนะมักจะมีคําถามว่าทําไมฮิตเลอร์ถึงเกลียดยิวขนาดนั้นอยากจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้หมดค้นไปค้นมาเขาบอกว่าอันนี้จริงไม่จริงไม่รู้นะคือเป็นที่เล่าลือกันแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันมีน้ําหนักเขาบอกว่าแม่ของฮิตเลอร์ ถูกคมขืนโดยชาวยิวซึ่งเป็นพ่อของฮิตเลอร์เองอีกกระแสะนึงก็บอกว่าตอนฮิตเลอร์อายุเจ็ขวบแม่ของเขาถูกคมขืนในบ้านของตัวเองและฮิตเลอร์ก็อยู่ในเหตุการณ์และอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีข้อมูลชัดเจนเหมือนจะมีหลักฐานก็คือว่าแม่ของฮิตเลอร์ตายเพราะว่าหมอชาวยิวเนี่ยไม่เหลียวแลคือเพิกเฉย มาแล้วไม่ให้การช่วยเหลือที น, นี้อันนี้เป็นเป็นประวัติในวัยเด็กของฮิตเลอร์พอโตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ายังไงคือฮิตเลอร์เห็นแต่ว่ายิวครองเมืองนะยิวเป็นเจ้าของไฟนันเชียยิวเป็นเจ้าของสื่อพวกหนังสือพิมพ์พวกอะไรเนี่ยชาวยิวทั้งนั้นในเยอรมนีนะแม้แตเ่เรื่องของนักการเมืองการปกครองอะไรต่างๆก็ชาวยิว ที่อยู่เบื้องหลังคือชาวยิวในี่ฉลาดไม่ค่อยออกหน้าแต่จะอยู่เบื้องหลังเป็นผู้ชักใยนักการเมืองด้วยวิธีซื้อตัวฮิตเลอร์เลยเกลียดชาวยิวมากนี่ก็ไปประจวบกับที่ว่าคนเยอรมันคงคงเห็นด้วยมันถูกกดดันคือถูกกดขี่โดยชาวยิวมาเป็นเวลานานแล้วไม่มีใครกล้า ลุกขึ้นมาบอกว่าเรามาฆ่าล้างเผ่าพัน์ชาวเยวกันเถอะเพราะฮิตเลอร์สามารถทำให้คนฟังคำนี้ได้คือจากไอเดียที่มันตลกตลกมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาคือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่ฮิตเลอร์จะไปกระตุ้นให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้แต่มันดันเหมือนค่ คนอยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพวกทหารเอาด้วย mm hmm. พวกทหารนี่คือเชื่อฮิตเลอร์ยิ่งกว่าเจ้าชีวิตอีกนะพอพอไอเดียตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาพวกทหารเนี่ยเขาเาอยากได้เขา อ, อยากได้อะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยมันมันเกิดการปฏิบัติตามขึ้นมาเอาจริงขึ้นมาครับทีนี้วันนี้ทวิตุลเหมือนจะเตรียมกิจกรรมมาให้ทางผู้นำทำฮะวันะวนี้ก็เพียมาทั้งวันละเดี๋ยวจะได้ อเอ า, ออาละนี่ตรงนี้น ค, คือคือเอาตรงนี้เป็นประเด็นก็แล้วกันยังไงดีครับเดี๋ยวเราแบ่งกลุม่ม ต, ตามนี้แหละครับเอาแบบผมเนี่ยนะีคือน้องจอยเขาถามว่าถ้าถอดจิตไปเข้าฝันฮิตเลอร์ได้เนี่ยจะพูดกับฮิตเลอร์ไว้ ย, ยังไงเดี๋ยวพวกคุณลองคิดดูให้เวลา10นาที10นาทีเอารวมคนพอดีคนอาจจะไม่ค่อยหนาต่างกันรวมกันเลยนะครับก็เป็น1กับ2ใช่ไหมฮะสกับส 5กับ6 7กับ8แล้วก็9กับ10ลวกันนะครับดิสคัดกันสัก10นาทีคือคุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสคุณจะพูดกับคิดเลอร์ว้ยังไงให้เขาเปลี่ยนใจแล้วพ อ, อคนที่นั่งฟังอยู่รู้สึกเห็นด้วย น, ะนั่นแสดงว่าคําพูดของคุณมีสิทธิ์ที่จะยับยัง้งไม่ให้เกิดสงครามได้ครับ10นาทีนะครับผม คำพูดนี้ต้องยับยั้งสงครามไม่ไม่ใช่ไปกระตุ้นให้มันไปไปโห ม, มไปโหมไฟให้มันยิ่งหนักขึ้นนะ ตัวแทนไว้พรีเซนต์ด้วยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องไม่ใช่คนที่เคยพูดเมื่อเช้านะครับคือความคิดเนี่ยจริงๆนะมันเป็นสิ่งเดียวนะที่เปลี่ยนโลกได้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนโลกได้มากกว่าความคิดเนี่ยถ้าคุณคิดได้ก็แปลว่าคุณเปลี่ยนโลกได้จริงๆเหมือนกันและถ้าวันหนึ่งคุณต้องเป็นผู้นํา ัโดยมีความคิดในพื้นฐานของคนที่รักสันติคุณก็จะเป็นแบบคันทีนะถูกจดจำว่าเป็นผู้นำโลกสันติ อย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะให้คิดว่ามันเป็นไปได้ไว้เพราะว่าเป็นผู้นำมันต้องเจอโจทย์ที่ท้าทายนะไม่ใช่โจทย์เป็นเพลน หนึ่งนาทีนะครับเตรียมพรีเซนต์นะครับผมม่ดีกว่าม่เขาไม่อยเขาบอกข้างหลังไม่ได้ยินครับอีกหนึ่งนาทีเตรียมพรีเซนต์นะครับผม ครับหมดเวลานะครับผมเดี๋ยวพวกเราก็ได้กลับบ้านกันเร็วด้วยนะครับครับกลุ่มไหนพร้อมแล้วครับอ่ามีวอลเนเตียไหมครับไม่มีเลยพี่ออฟครับกลุ่มพีพร้อมหครับพร้อมนะครับอ่าใช่เลยครับเพียงอุ่นเชื้อส่งมาใหน่อยครับอ่าโจนะเรา เราต้องการเราต้องการคำพูดที่จะดับไฟนะีด้วยความเย็นนะเปลี่ยนโลกของ ส, ส, สงสามเป็นโลกของสันติสวัสดีค่ะจากตัวแทนของกลุ่ม5และ6นะคะนัทกาลแทนิกอนค่ะจากกรมศุลกากรกระทรวงกันคลังนะคะก็ในนามของกลุ่ม5และ6ที่ปรึกษากันแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเราถอดจิตได้เราจะตอนถอดจิตเราจะหยิบหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน <laughs> ไปด้วยแต่แต่ก่อนนั้นนนันก็คือต้องขอพบอาจารย์ตุลแล้วก็บอกว่าอาจารย์ตุลช่วยเซ็นลเซ็นนิดนึงนะคะแล้วก็ติดมือไปให้ทางฮิตเลอร์ช่วยได้อ่านเล่มนี้นะคะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยถ้าคุณได้อ่านเนี่ยจะทําให้โลกได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็คนอย่างคุณจะทําให้โลกเนี่ยมันเกิดมูลค่าเพิ่มอีกเยอะเลยมากกว่าการทําให้มันเกิดสงคราม <c oughs> โลกค่ะเห็นก็บอกว่าฮิตเลอร์สั่งเผาหนังสือทางศาสนาทิ้งไห ขอบคุณมากเลยนะครับค <Okay S 2> ค่ะขอบคุณมากเลยครั บ, บ ค, ค, คือฮิตเลอร์เนี่ยก่อนก่อนอื่นต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าโดยธรรมชาติพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสับสนในตัวเองสูงคืออย่างที่บอกอะ่ะโดยตัวตนที่แท้จริงของเขา ถ้าคุณไปดูรูปที่เขาวาเนี่ยไม่มีเลยนะรูปแบบเอาคนมาแขวนคอเอาคนมาทรมานหรือว่าแม้แต่ตีลันฟันแทงมันมีแต่ภาพธรรมชาติมีแต่ภาพที่สะท้อนถึงความสงบพราะงั้นคือถ้าจะไปเปลี่ยนพื้นฐานของคนที่รักสงบอยู่โดยเดินนะให้รักสงบมันมันอาจจะมันอาจจะ คือยังไม่มีกำลังมากพอนะะที่จะทาให้คนที่กำลังอยู่ในอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนแรงที่อยากจะเปลี่ยนโลกนะที่อยากจะทำให้ชาวยิวสูญพันธ์แหะไปเชื่อเรื่องศาสนามันยากเพราะว่าฮิตเลอร์เนี่ยอย่างที่หลายๆคนรู้นะีสั่งสั่งเผานสะหนังสือหรือคัมภีร์ทางศาสนาเพราะเห็นว่าศาสนาเป็นสิ่งมอมเมาทาให้คนเนี่ย ไปเชื่ออะไรที่มันไม่ไม่ทำให้โลกเจริญนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นคิดว่าเป็นมุมมองจริงๆของฮิทเลอร์ที่เกิดจากประสบการณ์การเห็นว่ า, าคนเชื่อศาสนาไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ช่วยให้ประเทศของเขาเนี่ยมันหลุดพ้นจากเงื้อมมือของคนชัว่วแนะอันนี้อันนี้คือคืออย่างนี้ก่อนถ้าใน ความรู้สึกส่วนตัวนะ่ผู้นำหากว่ามาเชื่อเรื่องศาสนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แบบพิสูจน์ให้เห็นได้จริงๆอย่างที่เราอุตส่าห์พูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นเนะี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ครับมันมีไอ้เรื่องที่พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่ของโกหกหลอกเรื่องนะไอ้เด็กระลึกชาติอะไรต่างๆเนี่ยถ้าทำได้วันไหนเนี่ยศาสนากลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเมื่อไหร่นะโลกเปลี่ยนเพราะว่าเด็กที่จะเกิดใหม่ มันจะถูกปลูกฝังมาด้วยความจริงคือความเชื่อเกี่ยวกับความจริงแต่อย่างหนังสือทางศาสนาไม่ว่าจะใครเขียนไม่ว่าจะเขียนดีแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะเข้าถึงได้เฉพาะคนที่พร้อมจะเป็นรีเซ p เตอร์หรือว่าพร้อมที่จะเป็นผู้รับอยู่แล้วนะคือมันจะไม่เข้าถึงคนทุกคนที่อยู่ในภาวะไม่พร้อมอย่างอย่างคนที่กำลังจะก่อสงครามเนี่ย ในห่วงเขาจะไม่มีเรื่องศาสนาเลยหรือต่อให้เขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องศาสนาอย่างแท้จริงอยู่นะเขาก็จะกดเอาความเชื่อนั้นไว้ก่อนนะเอาเอาเรื่องของการเมืองเรื่องของการปกครองเรื่องของการชิงอำนาจมาเป็นประเด็นหลักในห่วงของเขานะเพราะนั้นคือครึ่งหนึ่งผมเห็นด้วยในแง่ที่ว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนใจผู้นาเปลี่ยนโลกได้ดีที่สุด แต่มันต้องถึงเวลาอาจจะถึงเวลาของเทคโนโลยีหรือถึงเวลาที่เขาพร้อมจะรับนะครับขอบคุณครับกลุ่มถัดไปเลยครับมาอยู่ที่ไหนครับครับเชิญครับครับขอเสียงประมือต้อนรับผมหน่อยได้ไหมฮะโอเคครับถือให้เพื่อนๆหน่อยนะครับสวัสดีครับแนะนำแนะนำตัวด้วยนะครับครับกับเรียนท่านวิทยากรครับและสวัสดีเพื่อนๆปอปอสีทุกท่านครับผมนายพานุพงศิริครับชื่อเล่นชื่อเจ้าเอกครับ เป็นประธานอำเภออยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัวแทนกลุ่ม9และกลุ่ม10ครับถ้าผมและสมาชิกจะบอกอะไรกับฮิตเลอร์ได้สิ่งแรกครับทางกลุ่มบอกว่าจะบอกฮิตเลอร์ว่าให้มาเรียนหลักสูตรของสถาบันพระปกเก้าผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยครับถ้าอุ <c oughs> เขาไม่ได้มา <c oughs> เรียนหลักสูตรนี้นะฮะ <c oughs> เขาจะไม่สามารถเป็นผู้นําที่มีความเป็นประชาธิปไตยได้เลยครับถ้าจริงปบมือได้ไหมฮะ เพราะว่าหลักสูตรนี้สอนให้เราเป็นผู้นําที่มีความคิดเป็นประชาธิปไตยอันที่สองครับทางกลุ่มของพี่แอนบอกว่าไปเปิดหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน <c oughs> ทางกลุ่มเราครับลงความเห็นกันแล้วว่าเมื่อวานท่านศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์ อ, อุวานอโอได้มาบรรยายแล้วก็ท่องพระน้ำมนต์ปริยัตอะไรต่างๆมากมายเราจะให้ฮิตเลอร์อ่านหนังสือเล่มนี้ฮะพระปริยัติธรรมโดยให้ฮิตเลอร์เปิด มนตราในหน้าที่33าครับชื่อมนว่าลัตตนสูตรการน้อมลำลึกคุณพระลตนไตเพื่อขจัดภัยพิบัติทังป่วงครับอาจารย์อาจารย์นั่งไม่ถึงตอนนี้นะเสียดายอาจารย์ประวัศาสตร์ไม่อยู่จะเฉลทฝากสื่อตอนบทนี้มีความหมายยังไงครับท่านวิทยกรอย่างนี้ฮะบทนี้คือเป็นบทที่พระพุทธเจ้านี้เสด็จไปในเมืองไหนก็มีแต่ความสงบร่มเย็น โดยทางกลุ่มยังจะบอกอีกด้วยครับว่าให้ฮิตเลอร์ท่องสั้นๆตามที่อาจารย์บวรศับรกบอกพระสำสมวิสะเทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่องบทนี้นะฮะตามท่าอาจารย์ปว ร, รสักบอกแล้วฮิตเลอร์ต้องเปลี่ยนใจแน่นอนขอบคุณมากครับผมอีกข้อนึง <ผม S 1> ฮะ<ม>ยังนนไม่หมดฮะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายทางกลุ่มสมาชิกโดยเฉพาะผู้ชายนะฮะนำโดยท่านอายการมดบอกว่าถ้าจะให้ฮิตเลอร์เปลี่ยนใจ จะชวนคุณจอยไปกระซิบข้างๆด้วยวะอย่าทำเลยสองคำมาหาความสุขกันเถอะนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็จะเปลี่ยนจากโจเซฟินเป็นคุณจอยไม่ใช่นั้นเนี่ยโปรเลียนผมพูดผิดนะฮะมันจะสอนอะไรบ้างสนุกสนุกสนุกเฮฮถูกต้องแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้ช่วยช่วยนะครับฮิตเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลผลิตของประชาธิปไตยนะครับจึงี่เลเป็นปฏด็จการ แต่ว่าวิธีที่ฮิตเลิขึ้นมาพูดเป็นผู้นำเนี่ยขึ้นมาโดวยวิธีของประชาธิปไตยนั้นผมชอบความคิดมากเลยที่บอกว่าจริงๆ เ, เนี่ยการเป็นเผด็จการเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นกับวิธีที่มาด้วยอย่างเดียวนะครับถึงมาด้วยประชาธิปไตยแต่ก็ทำตัวเผด็จการได้ยิ่งท่านปลัดใช่ไหมครับท่านปรหลัดเป็นราชาการเหมือนผมจะรู้ว่าการบริหารงานในระบบราชการบาทีส่วนใหญ่บริหารงานแบบเผด็จการนะฮะหัวหน้าไม่ฟังลูกน้องเลยอะไรอ่าเงี้ยนะฮะโอเคครับก็ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหลายท่านนะครับท่านท่านดีครับท่านดีคร เอาถ้าเป็นอายการเหรอครับโอ้ดูส่งแล้วโอเคครับกลุ่มถัดไปเลยครับอครับสวัสดีครับผมพันโทภูสิทธิ์ไครรันนะครับชนิชไก่ก็ยัดต่อจากกลุ่มเมื่อกี้นะครับคือถ้าให้น้องจอยเนี่ยไปเรียนอไปอยู่ฮิตเลอร์เนี่ยผมว่ามาเรียนรุ่นนี้ดีกว่าครับนะครับจอยไม่ต้องไปรอเรียนปอปอห้าปอภาษเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกที่ว่าที่อาจารย์บอกนะครับคือคนที่มีความตั้งใจที่จะทำสงคราม เขาต้องเชื่อว่าเขาต้องชนะนะครับอย่างฮิตเลอร์เนี่ยเขามีความพร้อมในส่วนของประเทศและประชาชนเนี่ยให้การสนับสนุนไอเซนฮาวเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่ชนะสงครามคือผู้ที่ถูกต้องและชอบทำผมไม่เชื่อว่าฮิตเลอร์ก่อนที่เข า, ขาจะทํารสงครามเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาต้องชนะเพราะนั่นเป็นการยากที่จะไปพูดอะไรก็ตามที่จะให้เขาเปลี่ยนใจในเมื่อเขามีอินเทมมีความตั้งใจที่จะทํานะครับ ถ้านะครับเป็น if cost ถ้าผมสามารถถอดจิตไปหาเขาได้ผมจะพูดนะครับผมจะเอาสิ่งที่ภาพในอนาคตจะเป็นเครื่องฉายดีๆหรือวิดีโอก็ตามไปเปิดให้เขาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนของเขาจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดกับาตัวเขาเองประเทศของเขาจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเป็น if cost เหมือนกันนะครับถ้าผมสามารถเปิดให้ค้นให้ให้ ฮิตเลอร์ดูได้ผมคงไม่เปิดให้ฮิตเลอร์ดูคนเดียวก็จะเปิดให้ประชาชนเยอรมันรดูว่าสิ่งที่เขาให้การสัมผิตเลอร์นปัจจุบันนี้ที่เขาเห็นว่าถูกเพราะทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยว่าทําไมคนเยอรมันเนี่ยถึงมีการสัมผิตเลอร์เพืาะเหตที่ตเคือจากประชาชนเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นต้นมาของฮิตเลอร์คือต้นต่อของฮิตเลอร์คือคนเยอรมันเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่นะครับจะเอาไปเนี่ยก็คือคงไปเปิดให้ทั้งคนเยอรมันและทั้งคนทั้งฮิตเลอร์ดูขอบคุครับ นนะ ค, ะคือจริงๆแล้วฮิตเลอร์เนี่ยเขาเคยพูดไว้ก่อนตายเนี่ยบอกว่าถ้าเขาแพ้สงครามเขาจะกลายเป็นอาญากรสงครามแต่ถ้าเขาชนะเขาจะเป็นมีรบุรุษคือมันก็รู้ตัวอยู่พอสมควรนะว่าเกมสงครามเนี่ยใครยัอยงอย่างที่คุณพูดใครชนะคนนั้นเน่ยเก่งใครคนนั้นใครชนะคนนั้นน่ยถูก เป็นคนคิดถูกเนี่ยแบบไอเดียแบบนี้เลยแล้วคือถ้าเขาได้เห็นจริงๆนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและประชาชนของเขาเนี่ยผมว่าเขาชะ ง, งักได้เหมือนกันคือคืออันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงเพราะว่าใครจะตัดสินว่าเขาดีเขาชั่วแค่ไหนก็ตามเขารักคนของเขาเนียคือคือเขารักชาติมากเป็นพวกรักชาติชนิดที่ เข้าขั้นเข้าขั้นเอาเป็นว่ายอมตายเพื่อชาติอะไรทานองนั้นน่ะนะไม่ไม่ไม่ใช่คนนักตัวกฎวตายแต่ก็จะเป็นประเภทที่เหมือนกับพอตัดสินใจอะไรไปแล้วว่าจะต้องเอาชนะให้ได้นะคือมันก็มีความคิดแบบเดียวว่ายังไงก็ต้องชนะคือเขาเป็นคนประเภทนี้เคยเคยกล่าวสุนทรภพว่า ถ้าคิดจะตามสงครามคุณต้องมีความคิดอย่างเดียวคือจะชนะห้ามคิดว่าจะแพ้ห้ามเผื่อเด็ดขาดนะแล้วแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นที่มาของการทำได้ทุกวิธีทางเพื่อที่จะชนะโอเคกเ็เรามาคุยกันแบบสนุกสนุกนะกลุ่มนี้ค่อนข้างจะเรียลลิสติกนิดนึงนะแต่ว่าก็ผมเห็นด้วยที่ ที่บอกว่าเอ า, า, าภาพไปฉายให้เขาดูเนี่ยเขาจะงักแน่ว่าฮิตเลอร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้นะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวมากคือเวลาที่เขาอยู่ในห้อง บ, งบัญชาการเนี่ยจะดูเหมือนคนที่เด็ดขาดว่าคิดอะไรว่าจะแบบเป็นเส้นตรงนะตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็เร็วในความจริงก็คือว่าฮิตเลอร์เนี่ย เป็นคนกลัวความผิดคือกลัวว่าทําไปแล้วมันจะล้มเหลวเขาเลยต้องสร้างภาพผู้นําแบบที่ไม่กลัวความผิดขึ้นมาอย่างนี้เกยกล่าวส่วนทัลลัพโธนั่นว่าสงครามต้องชนะเท่านั้นไม่มีคําว่าแพ้และบุคลิกของเขาเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมามันมันเป็นมันเป็นดรามา่ามันเป็นดารามันเป็นหลักการของดาราชนิดหนึง่งคือพอคุณเชื่ออะไรอย่างหนึง่ง แล้วคุณพูดซ้ำๆทำอะไรแบบนั้นซ้ำๆเนี่ยในที่สุดตัวตนคุณจะปรากฏต่อสายตาของคนอื่นโดยความเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจริงๆครับขอบคุณครับพี่ตุลเหมือนรู้จักฮิตเลอร์ดีมากเลยนะครับเห <laughs> <laughs> มือนจะรู้จักกันมาต่ชาติที่แล้ว <laughs> เหมือนถอดจิตไปดูจริงๆอ้ากลุ่มถัดไปเลยครับผม <laughs> สวัสดีคะ่ะชื่อวราประพานาควัชระนะคะชื่อเล่นชื่อพลอยนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองนะคะก็ จริงๆตะนแรก ค, คล้ายกลุ่มนั้นเหมือนกันคือว่าเนื่องจากเรามาจากอนาคตแล้วเราดูแล้วว่าสงครามครั้งนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยฮิตเลอร์ถูกเรียกว่าอาชญากรสงครามนะคะเธอเปิดสมุดว่าเราย้อนกลับไปได้แล้วเราไปขุยเขาได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น คุณอยากจะถูกโลกจดจําไว้อย่างนี้หรอว่าคุณจะเป็นอาชญากรสงครามนะคะแล้วนอกจากนั้นเนเรามีออปชันให้เขาด้วยคือเราจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วการฆ่าคนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ออปชันที่ดีที่สุดของเขาก็ได้เข า, าอาจจะมีออปชันอื่นที่ดีกว่านั้นก็ได้เช่อนอย่างสมัยนั้นเนี่ยเขาใจพวกเราเข้าใจว่าเขาเนี่ยเกลียดคนยูเพราะว่าคนยูเนี่ยทั้งเก่งทั้งฉลาดแล้วก็ครองเมืองทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วคนเยอรมันเนี่ยสู้ไม่ได้เราก็มองว่าเอ้ย เราสตูดี้คนยิวดีไหมว่าทําไมเขาถึงเก่งและฉลาดอย่างนั้นแล้วคุณนมาสอนคนเยอรมันคุณให้เก่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าคุณเก่งพอเนี่ยคนยิวดีมีความสามารถอยู่แล้วทำยังไงถึงเทคโอเวอร์เขาไล้เขามาเป็นลูกจ้างเราอะ <c oughs> แล้ว <c oughs> แล้วมันจะเป็นออฟชั่นที่ดีกว่าไหมที่จะฆ่าเขาตายไปนะคะแล้ว ก, แวก็แล้วก็มีออฟชั่นอื่นเช่นให้เขามาปฏิบัติทำอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเขาคงมีจิตใจมุ่งมั่นแล้วว่าอยากจะฆ่าอยากจะชนะค่ะแต่ชอบแนวคิดเชิงผู้บริหารนะฮะ อันนี้ก็เป็นแนวคิดเชิงรู้ข่าวรู้เหลา่าซึ่งมันทำกันอยู่ในโลกปัจจุบันนะยังเวลาที่บริษัทเอายกตัวอย่างชัดเจนเลยก็แล้วกันว่ า, อาตอน a อ p l e ออก iPhone มาเนี่ยนะบริษัทซั s ซุงก็มีการคุยกันภายในว่าเรามาทำอย่าง Apple กันเถอะแต่ทำให้มันดีกว่า Apple ทํทำให้ดีกว่า iPhone ทุกวันนี้ ด้วยแนวคิดนั้นด้วยแนวคิดในวันนั้นเนี่ยที่มีความคิดอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกวันนี้ iPhone แพ้ a m s u n งแล้วในแง่ของยอดขายในแง่ของการจดจำนั้นมันเป็นไปได้ถ้าหากว่ามีไอเดียแรงๆนะอย่างเช่นเรามาเอาชนะเขากันเถอะเอาเอาชนะชาวยิวด้วยความเป็นเยอรมันของของเรากันเถอะเนี่ยแล้วแล้วมีผู้นำอย่างฮิตเลอร์ ซึ่งมีพลังมากพออย่างที่ผมบอกตอนแรกมีพลังมากพอที่จะทำให้คนเชื่อตามมีความพยายามนานพอที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จมันเป็นไปได้ครับที่เยอรมันจะเหนือกว่าอยู่นะขอบคุณครับกลุ่มสุดท้ายใช่ไหมครับอ๋อครับสวัสดีครับผมแดนเหตากูลครับเป็น จากสังกัดเดลินียนะครับอยู่กล่องบอกอรครับผมเป็นตัวแทนของกลุ่มพิเศษ 1, กับสองสกับ 4, นะครับครับผมผมข อ, อพูดถึงปัจญาของของชื่อนะครับว่าคนมีคุณธรรมเนี่ยจะเป็นที่จดจำของชาวโลกไปตลอดกานนะครับแล้วคนที่ไร้คุณธรรมเนี่ยก็จะเป็นคนที่โลกไม่โลกไม่จำนะครับ เ, เปรียบได้กับฮิตเลอร์เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคนที่ เป็นนักรบนักสงครามและเป็นคนที่น่าจดจำก็น่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทใช่ไหมครับหรือว่าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่เวลาเขาไปตีเมืองนั้นๆเนี่ยเขาก็จะเก็บวัฒนธรรมแล้วก็เผยแพร่ต่อไม่ทำลายทิง้ง น, นะครับแต่ฮิตเลอร์ก็คงเป็นคนที่หัวศิลปะแล้วเขาทราบดีว่าการที่เขาสร้างพาปกันด้าขึ้นมาในเชิงของสัญลักษณ์สวัสดิกะก็ดีหรือว่าอินซีเล็กหรือสร้างให้มีให้ฮิตเลอร์หรืออะไรเนี่ยครับ เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่โดยการที่เขาก็พยายามจะ Rip off นะครับก็ยึดวัฒนธรรมหรือพวกอาร์ตต่างๆที่เขาไปตีเมืองมาแล้วพยายามทำลายทิ้งเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่น่าจะเป็นที่จดจำอยู่แล้วนะครับต่อให้เขาตายไปเนี่ยนะครับนั้นผมถ้าเกิดว่าทางกลุ่มผมเนี่ยถอดจิตเข้าฟันฮิตเลอร์ได้เนี่ยผมก็จะบอกเขาว่าฮิตเลอร์วันเนี้ย เราอยู่โลกปัจจุบันนะเรารู้ทุกอย่างที่นายทําหมดแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่นายเป็นเนี่ยที่นายจะพยายามทําลายวัฒนธรรมชาวบ้านเนี่ยเราจะขอบอกอย่างหนึ่งว่าคําว่าฮิตเลอร์ของยุคปัจจุบันเนี่ยคือคนที่เฟลในสิสเทมของสังคมโลกหน อ, อย่างคุณเนี่ยก็ไม่มีใครคิดจะไว้กันไอ้ท่าที่คุณทำเนี่ยมันก็เป็นท่าแบบสั ง, แบบสงคมที่แม่งแบบเป็นคนกลุ่มคนที่ไม่ฟิตกับสังคมโลก คำยกคาว่าฮิตเลอร์ของชื่อคุณเนี่ยมันคือคำด่าของคนที่เป็นคนที่เฟลในสังคมโลกผมอยากจะบอกเขาแค่นี้แหละครับนายดูแมวมากก็คงจะไม่มีใครอยากให้ลูกหลานจดจำว่าตัวเองนะชื่อของตัวเองเนี่ยเป็นชื่อเสียเสียจริงๆนะฮะอย่างอย่างอย่างคำบางคำเนี่ยแต่ก่อน อย่างคำว่าจิ๋มอย่างเงี้ยนะคนชื่อจิ๋มกันเยอะแยะเลยไม่เห็นสะดุ้งสะเทือนแต่ต่อมาพอมีคนที่เริ่มเอาไปใช้ในทางแบบที่ว่าเป็นวัยวะเพศหญิงเนี่ยก็มีคนชื่อจิ๋มน้อยลงนะทำทองเดียวกันคืออันนี้จะบอกว่าคนไม่อยากเป็นที่จดจําหรือแม้กระทั่งชื่อของตัวเองเนี่ยไม่อยากถูกนําไปใช้ในทางเสื่อมเสียในทางที่ คนเห็นเป็นเรื่องเลวร้ายนะการขู่ในเรื่องของการถูกใช้ชื่อไปในทางเลวร้ายเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะว่าอย่างถ้าคุณลองคิดดูเนี่ยใครเอาชื่อเล่นของคุณเนี่ยไปใช้ในทางเอาแค่ว่ามันไม่ดีไม่งามเนี่ยนะแทนแทนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคุณโกรธแล้วไม่พอใจแล้วไม่อยากให้เขาทําแบบนั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าชื่อของคุณเนี่ยมันกลายเป็น ประวัติศาสตร์เป็นที่จาลึกของโลกเนี่ยว่าเอาไปใช้ในทางที่มันเสื่อมเสียเสียหายหรือว่าคนสติวิปราชบ้างหรือว่าฆาตกรหล้านศพ บ, บ้างอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมันก็คงจะทำให้เขาชะ ง, งักได้เหมือนกันจริงๆนะโอเคก็ในในแง่ตรงนี้เนี่ยสรุปว่าถ้าเอาเรื่องชื่อเสียงไปขู่ผมว่ามันมีสิทธิ์ได้ผลนะ ครับก็ขอบคุณสพิตุนนะครับก็วันนี้เวลาล่วงเลยมาเยอะนะครับเดี๋ยวพี่อุ่นจะมีอะไรชี้แจงนิดนึงนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะที่ก่อนที่จะจบเซสชันนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะฮะทั้งคุณดังตรินนะครับหรือคุณสรันมัยตีเวสหรือพิตุนของเรานะฮะแล้วก็น้องจอยนะคุณสุนัน t h สารนิธิวสินนะฮะขอปบมวยให้กับทั้งสองท่านด้วยครับผมขอบคุณขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่เชิญมาแล้วก็จริงๆริจอยคือเป็นแฟนคลับ ของพี่ตุ้นอยู่แล้วแล้วก็เริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ปรัชญามานานแล้วแล้วก็อยู่ในวงการนักเขียนเดียวกันก็วันนี้ขอบคุณมากที่ที่ให้โอกาสมาเจอขอบคุณนะคะนักเขียนพูดเก่งเท่านั้นเลยครับค่ะและดิฉันในฐานะตัวแทนของนักศึกษาผู้หลักสูตรผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่4นะคะก็ กลับขอบพระคุณท่านอาจารย์สลานมตรีเวในแพทย์เขตสีประทักษ์นะคะและคุณสุนันษานิธิวาสินที่วันนี้ให้โอกาสมาเป็นวิทยากรและให้ความรู้กับพวกเราทุกคนคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ยุสศรอยู่ช่วยฟังจนจบวันนะฮะครับเ <c oughs> พียงหุ่นมีอะไรจะชี้แจงน้องไหมครับกำหนดนัดหมายมี น, นัดหมาย ว, วันพรุ่งนี้นิดเดียวนะคะย้ําเตือนนะคะพรุ่งนี้รถออกบ่ายโมงครึ่งรถจะมีสาคันจอดที่นี่นะคะหน้าอาคารสโมสรนะคะบัสหนึ่งเลขที่1นึถึงสี บัตรสอบเอ็ดถึงแบัตร3นะคะ81ดสิแบ่งเป็น3คันนะคะแล้วก็อาจารย์ประวัศักดิ์นะคะท่านให้ติดหนังสือพปริศไปด้วยนะคะอาจจะมีอาจจะมีพฤตกรรมอะไรแบบที่ที่หลักเล็บว่าไว้นะคะหนังสือพปริศติดไปด้วยนะคะกแข็งแล้วก็อย่าลืมป้ายคลองคอนะคะเรื่องของการแต่งกายนะคะวันพรุ่งนี้แต่งแบบนี้ค่ะลําลองสุภาพนะคะแล้วก็ติดแจ็กเก็ตไปด้วย มีเตือนเรื่องกิจกรรมจิตอาสานะคะวันที่31ที่เราจะไปลงพื้นที่กันนะคะแดดอาจจะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะก็ติดแจ็กเก็ตไปเอาเสื้อแขนยาวนะคะเครื่องป้องกันแสงแดดหมวกร่มแว่นตานะคะแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบสบายสบาย นะคะให้ให้เดินกับพื้นดินได้นะคะจะได้สะดวกหน่อยโอเคค่ะทั้งนั้นรพรุ่งนี้พบกันบ่ายมงครึ่งนะคะล้อหมุนไม่มีการโทรตามนะคะบ่ายมงครึ่งรถออกเลยนะคะควันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบค<อ>ุณทุกท่า น, รานครับ